อาจารย์ครับการดำเนินการครับผมเดจานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้มีการแจกหนังสือกันก็เลยมีคนเข้ามากันเยอะเลยครับห้าร้อยกว่าคนครับอาจารย์ครับค่ะครับอาจารย์เมื่อวานวิสาขากับวันนี้วันหยุดพระอาจารย์เป็นเป็นคนไปใส่บาตเยอะเลยไหมครับอาจารย์ครับมันวิสาข์ก็ประมาณหกร้อยหกสิบคน วันนี้ก็ประมาณสามร้อยห้าสิบหกคนครับโอ้หกร้ยคนคนี่พัเดินไปชัง่งเดิน <c oughs> เดินยาวสิวประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับผมก็เป็นธรรมดาเรื่ององกาที่จังทุกข์ของอนัตตาครับพระอาจารย์ครับวันนี้พวกเรามีแจกหนังสือของพระอาจารย์หลายเล่มเลยครับอาจารย์แล้วก็มีญาติโยมเขาถามมาบอก เล็ยขออนุญาตกล่าวเตือนถามพระอาจารย์เลยดีกว่าครับมีญาติโยมบอกว่าถ้าสนใจจะพิมพ์หนังสือเอาไปแจกเองพระอาจารย์อนุญาตหรือเปล่าครับโดยที่ไม่มีการหาผลกําไรใดๆทั้งสิ้นครับถ้าไม่เอาไปขายไม่ได้ทําประโยชน์เถ้าไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทานก็พิมพ์ได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องขออนุญาตครับช่วยกันเผยแผ่ธรรมช่วยกันเผยแผ่ธรรมะได้แต่อย่าขอหาผลประโยชน์จากการเผยแผ่ธรรมะ ว่าธรรมะของพระพุทเจ้าเป็นธรรมที่เหนือคุณค่าราคาครับผมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับในเคลียร์ตรงกันแล้วครับพระอาจารย์ครับเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งก็เป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าของพวกเราโดยตรงครับวันนี้ก็เลยจะกรา บ, บขอความเมตตาพระอาจารย์อ่พูดถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนื่องจากวันวิสาขบูชาเพื่อตอกย้ำศรัทธาให้พวกเราครับกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับ พรอคุณอันตระเสริฐของพระพุทธเจ้าก็คือช่วยนำพาสังโลกให้ออกจากกองทุกแห่งการเมียนไหว้ตายเกิดในสังสารวัฏนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ไปเปิดประตูคุกเรือนจาแล้วก็ให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจําี้ได้ออกมาเป็นอิสระไม่ต้องจองจําอยู่ในในเรือนจําเรือนจําที่สัโลกที่ติดอยู่นี้เราเรียกว่าสังสารวัฏ หรือตายคพเนี่ยดอนจำนี้มีแบ่งไว้สามแดนด้วยกันแดนแรกเรียกว่ากรรมภพแดนที่สองเรียกว่ารูปภพแดนที่สาเรียกว่าอารมณ์ภพทั้งสามแดนนี้ก็แดนแรกที่กรมภพนี่ก็สําหรับผู้ที่เสกการผู้เสพรูปสิ่กินลดพลเท่ว่าผู้ที่ยังแสวงหาลาภยศชนะสริสุขคือโลกธรรมทั้งสี่อยู่ ก็คือมนุษย์รัเทวดาน ะ, ะเดระชานและเปรอะไร ท, ทั้งทั้งทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นพวกที่เสกกรรมนั้นก็จะมป็นวายตายเกิดอยู่ในกางประพบนี่นะพวกที่เสกรูปประชานก็จะไปอยู่ในรูปประพบพวกฤาษีฉีภัยพวกนักบวชที่ก้องไม่ไปหาลาภยศสนเสริญสึกทางตาของจมูกนิ้วกาย เขาไปอยู่แบบนักบวชไปเข้าฌานกันเข้ารูปประชาญเขาก็จะไปอยู่อารมุปคภถ้าเขาเข้าอารูปประชาญได้เขาก็จะไปอยู่อารมุปภภแต่ทั้งสามภพเลยครัเป็นภพที่ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังมไม่เที่ยงไม่ถาวรไปอยู่ในอารมุปคภเรื่องรูุปคภได้ระยะหนึ่งก็จะเสือ่อมแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเจริญ รูปรชาญแล้รูปรชาญใหม่แพวกที่เสดการามอย่างพวกเรานี้ว่าตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเป็นมนุษย์เพื่อมาเสดการางม่มาเสกรูปเสียงกินรสหานละล้ายุทสันสุขมเองอันนี้คือ ค, กคุกตราดของสัตว์โลกที่เราเรียกวาสังสารวัดที่ที่สัตว์โลกทั้งห่ายทั้งปวงติดติดข้องแวะอยู่ เพราะกำแพงของเดือนจํานี้ก็มีอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งก็เรียกว่าเกิดด้านที่สองก็เรียกว่าแก่ด้านที่สาก็เรียกว่าเจ็บด้านที่สี่ก็เรียกว่าตายเขาติดอยู่ในเรือนจำนี้เพราะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังติดติด ก, กางก็กลับมาเกิดในกลางภพติดรูปฌานก็กลับมาเกิดในรู ป, ปรูภพ กลับมาเพื่อมาเจริญเพื่อมาเสพรูปประชานใหม่เสนารูปประชานก็กลับมาเกิดเพื่อมาเสภารูปประชานใหม่อาจจะมีคนที่เป็นนั้งนักบวชและเป็นผู้ที่ไม่บวชเนพวกที่ไม่บวชเขาก็เสงราภิศสาะะรแสนสุขเสบนุเสงเกียรติร้อยพวกที่เสบรูปประชานเขาก็ไปปวดกันไปอยู่แบบฤๅษีชีไฟอยู่ในป่าให้เขาปิดไม่เว่งอยู่คนเดียว เข้าสมาที่เข้ารูปประชาเข้าอรูปประชาเนี่ยนี่คือการหาความสุขของสัตว์โลกในสศ า, ารวัตเนี่ยหาสามแบบด้วยกันหาความรูสุขหารูปประชาและหาอรูปประชาความสุขจากรูปประชาแลนะความสุขจากอรูปประชาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาติดอยู่ในการเป็นไร้ตาเกิดนี้ เขเวลาเขาตายไปเขาก็เหมือนกับนอนหลับไปพอเขาเกิดใหม่ก็เหมือนตื่นข oh. uh huh. ึ้นมาใหม่พอตื่นแล้วเขาก็เริ่มมาเสกสิ <man <man ่งที่เขาเคยติดอยู่พวกที่เคยเสกกางก็มาเสกกางต่อพวกที่เสกรูปประชานก็มาเสกรูปประชานต่อพวกที่เสกมารูปประชานก็เสกมาลูปประชานต่อก็จะเป็นว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเสกไปจนแก่จนเจ็บจนตาย ได้ไปก็ไปอยู่ในภพของโงวิญญาณสวรรค์บ้างอาบายบ้างถ้าเสดการถ้าเสดรูปประชานก็ไปอยู่ในรูปภพภพของพรงมถ้าเสดอรูปประชานก็ไปอยู่ในอรูปภพภพของมารูปประมุขรรปปแล้วหลังจากนั้นพอหมหมดหมดบุญหมดกำลังมันก็อยากพาให้กลับมาเกิด เกิดเป็นมนุษย์มาเกิดมาแก่มาเจ็มาตายก็จะเป็นว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่า จ, จะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาเห็นปัญหาของของใจของตอนเองที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่และปรารถนาที่จะรุดพ้นจากความทุกข์ก็จะค้นกายศึกษาปฏิบัติธรรม จนในที่ <S ans> <french> สุดก็ได้พบคำตอบว่าการที่จะออกจากการมาพบรูปประพบอารูประพบได้ก็ต้องตัดความอยากที่จะเสพกางความอยากที่เสพอยากจะเสพรูปประชาณและความอยากที่จะเสพอรูปประชาณเท่านั้นเองถ้าถ้าหยุดเสพกางก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกลามะพบถ้าหยุดเสพรูปประชาณก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปประพบถ้าหยุดเสพอารูป อรูปประชาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในะอรูปภพไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะไม่มีการกลับมาเกิดได้หลุดออกจากสามสารวัตได้ออกจากาเงินจําแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการละความอยากสามประการาเนี่ยอยากเสกกามความอยากการเสกการมเรีวการมัตตนา ความอยากเสพ ร, รูปประชานเรียกว่าภาวตนาแล้วความอยากจะเสพ ร, รูปประชานเรียกว่าวิภาวตนาพอละ ท, ทันหาทั้งสามนี้ได้ก็จะออกจากสังสารวัฏได้มาลุไปเสียเ อ, อกจากอยู่เขตที่อยู่นอกสังสารวัฏแล้วก็ในวันที่ผ่านวินผ่านาเกิดที่ไม่มีกา ร, ราเวิยนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่นอ ก, อ ย, น อ, กอยู่นอกตายพวก นิพพานนี้อยู่นอกกายภพน่าจะละสังะตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสิลสมาธิปัญญาหรือมากปดนะมาแ ก, ก็ย่อลงมาก็เป็นสิ่สมาธิปัญญาเช่นะสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาทิวะนี่ก็อยู่ในในสิน่ง สมาอสมาวายาโมสัมมาสติสมา ส, สมาธิก็อยู่เป็นองค์ประกอบของสมาธิและสมาธิฏิสมาสังกัปโปก็เป็นองค์ประกอบของปัญญาการปฏิบัติศิ่สมาธิปัญญาก็คือการปฏิบัติมั่งแปดถ้ามังมมม่งแสมบูรณ์ั่งแปดก็จะมีกําลังที่า ล, าละละทันหาทั้ง3าได้ละกามัทนาภวะันห า, นาแลว้วมีภวะันหาได้ พอละปั๊บก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในใจภพเอีกต่อไปไม่เราเกิดมาเกิดในกลางโลกไม่อเรากลับมาเกิดในรูปภพหรืออารมณ์ภพ ก, ก็จะอยู่นอกสังสารวัฏเขตนอกเขตที่อยู่นอกสังสารวัฏนีแล้วก็เลยกวันนิพพานที่ไม่มีการเป็นว่ายตายเกิดไม่มีแต่บรมสุขที่เกิดจากความสงบแล้วครับปัญหาทั้งสาม ตัวที่ทําให้ใจเราวุ่นวายไม่สงบก็คือตัณหาทั้งสามนี้ทั้งเปียนอย่างทุกท่านี้เรามีความอยากในใจเราจะดิ้นทุรดทุรไล่ช่วงไหนที่เราไม่มีความอยากชฉะนั้นเราจะรู้สึกสบายแต่มันเป็นช่วงแบบช่วงคราวอยากบ้างไม่อยากบ้างอยากก็ต้องนิ่นไปตอบสนองความอยากพอได้สิ่งที่อยากได้ปั๊บความอยากนั้นก็สงบตัวลง แต่ก็สดเบาสบายขึ้นมาแล้วทักพักหนึ่งเดี๋ยวก็อยากใหม่พออยากใหม่ก็อยู่อยู่ไม่เป็นสุดนะังก็ต้องไปหาไปทำตามความอยากมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้สุดอันนี้คือก็โะโกศวัตรยาทรงค้นพบวิธีที่จะพาให้สันหลังที่ติดอยู่ในสังสารวัตรในไตายพนี้ได้ออกจากการเป็นว่ายตาย ด้วการละเหตุที่พาให้ติดอยู่เหตุ <understanding> ที่พาให้มาติดก็คือตัณหาทั้งสามความอยากเสกกางก็คือจะทําให้ไปติดไปเกิดในก <fixture> ารละพบความอยากจะเสกรูปประชานก็ไปเกิดในรูปรูปประพบความอยากที่จะเสกรูปประชานก็ไปเกิดในอารมณถ้าอยากออกจากพบทั้งสามนี้ก็ต้องหยุดตัณหาทั้งสามนี้ไม่เสกกางไม่อยากเสกกางไม่อยากเสกรูปประชาน ไม่อยากเสพอรูณประรปชาระความอยากทั้งสามนี้ได้จิตก็ไม่ต้องกลับมาหากลับมากล่าวภพรูปภพและอรูปภพตอบไปก็จะอยู่นอกเขตของสามสารวัตที่เรียกว่านิพานพอาจารย์ครับแล้วจิตที่อยู่ในนิพานนี้คือจิตที่มีความสุขตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้ลางมีลลงสุขบารมีมังสุขครับเป็นการสุขที่ถาวร ยิ่งไม่มีวันเสือ่อมไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาเลือนรเฉิมารูปเสียงเกล็ดรถน่นคืความสุขแบชั่วคราววัญญาเสพติดพิรเราได้เสพมันก็สุขพอที่ไม่พอยุดเสพปเดียวก็ทุบขึ้นมานะความสุขที่ไจากการเสพกนจกหายไปต้องเสษใหม่เรื่อยๆเราไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆ้องไปซื้ อ, อ ข, ของเที่ยวให้เรามปความสุขอยู่เรืย คนที่ชอบชอบกัทํามชอบกันอย่างเรื่อยๆครับครับอาจารย์พูดเห็นภาพเลยครับเป็นคนเปิดประตูกรงคุก <c oughs> ให้พวกเราเดินออกไปครับคุณเจ้าเป็นคนรับแบบวิธีแล้ววิธีขายกุญแจขายกุญแจเาอากุญแจสามดอกขายออกมาจากสามแดนนี่กุญแจสามดอกก็คือศีลสมาธิปัญญาเอที่มาใช้เปิด เปิดเปิดกุญแจที่ขันขัง น, นักโทษอยู่ขังอยู่ในแดนก็คือการมาคือมาราการมะตนาภาวะตานาและววิวิปภาวัตานาเราขายกุญแจด้วยศีลสมาธิปัญญาเืาอ า, ายเปิดกุญแจที่ล็อกล็อกประตูไม่ให้สันโลกออกมาจากเงินจำต้องในศีลสมาธิปัญญาขาจะออกจากการมาพบจากรุปพุ มันอา จ, จะเป็นเหมือนงานที่มันเหมือนเหมือนสามแดนมันต้องผ่านกรรมกบภพก่อนแล้วก็รูปกบับภพแล้วก็กครับถ้าจารครับแล้วเป็ต้องไปเป็นลําดับไหมครับคือจากกรรมต้องไปอารู ป, ปะหรืออารูปปาหรือจากการมพบเข้านิพพานก็ได้เลยไหมครับม่ต้องไปจากการมก่อนออกจากการมสามโยชนข้อรแรกก็เกี่ยวกับเรื่องการ<อ>เรื่องร่าง ก, กายรูปเสียงกลิ่นี้ พอพน้นออกจากการได้ก็ไปติดอยู่ที่รูปรูปรากะอะโรปราคาะอันนี้เป็นสทโยดเบื้องบนก็ต้องเวละภาพอยากเสพ ร, รู ป, ปรชาและรูปรชาวันนี้ได้ภาพแบบกว้างๆอย่างครบถ้วนแล้วครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับเราพวกเราไม่รู้กันว่าเราเป็นนักโทษยง เราคิดว่าเราเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเศรษฐีเป็นนายกเป็นอะไรกันนะแล้วเราก็เล่นเนบทของเราไปอย่างสุดนครับรูร้ว่ากำลังเล่นละครในคลุกๆครับครับอาจารย์ผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างครับอาจารย์ครับจากคุณสมพรครับ ใจสงบมีความสุขมากขึ้นไม่หงุดหงิดใส่คนใกล้ตัวแสดงว่าโยมเริ่มมีสมาธิมีสติจากการปฏิบัติธรรมคล้ายๆตะบาตัวเองเข้มแข็งขึ้นพูดเช่นนี้ถูกต้องบ้างไหมครับถ้่ใจเราเริ่มเย็นเราก็แสดงว่าเรามีสติมากขึ้นมีความสง บ, บมากขึ้นมีอุเบกามากขึ้นก็ทำให้ใจเราเย็นเฉยได้ไม่ระบายความหงุดหงิดออกมาเพราะมันความหงุดหงิดมันไม่มีให้ต้องระบาย การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือต้องฝืนกิเลสตัวเองเพื่อความงดงามผลที่เกิดมาตามมามันคุ้มค่าหรือขณะนับการต้องฝืนกิเลสบ้างเป็นการขัดเกลากิเลสตัวเองไปในตัวเข้าใจถูกต้องไหมครับได้ก็เป็นการกําจัดกิเลสนะการที่เราฝืนกิเลสก็กิเลสที่เราฝืนมันก็จะหมดกำลังที่จะมายั่วยุเราได้แต่ถ้าเราทําตามมันมันก็จะมีจํานังที่จะกำมายั่วยุเราอยู่เรื่อย คุณโอถามบอกว่ามีหนังสือบทสดมนสายธรรมยุทธ์ใหม่ครับอาจารย์ครับก็อลองค้นหาในในในกรุ๊ปกอดอ็ดี๋ยวมีนะครับเขามีที่เขาไปถามวัดธรรมยุธทธ์ต่างๆก็ได้คุณเกศศรินครับพระคุณอันประเสริฐ ข, ของพระเจ้าคือต้องการให้ทุกคนที่เข้าถึงธรรมะ ข, ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคือยอมาทูตสี่คือการไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏ คือการไม่มาเกิดถูกต้องไหมคะแต่เพราะคนเรายังมีความอยากและมีความยึดมั่นถือมั่นยังลงในวัตถาจักรสงสารเลยไม่หลุดพ้นสักทีคะ่ะใช่เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่หนึ่งให้เรากมาเกิดแี่เาชีพตายกันอยู่เรื่อยถ้าเราต้องการยุติการกมเกิดเราก็ต้องยุติความอยาก คุณสมพรครับก่อนนอนสวดมนต์สั้นๆอารางสมัยติปิโสสามจบเสร็จแล้วกราบหมอนนอนถือว่าเพียงพอไหมครับส่วนการสวดมนต์เต็มบทจะร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นที่โบสถ์ร่วมกันกับ ก, ก, บกาลยานามิตรหลายๆคนครับก็สำหรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของแต่ละคนการสวดมนต์ก็เป็นวิธีฝึกสมาธิแบบหยับๆยก็คือเจริญสติรับัความคิดปรุงแต่ ให้ใจมีความสงบมีวุเบกาแต่จะไม่ได้แบบเต็มร้อยจะได้มากน้อยก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิัติถ้าต้องการผลมากก็ต้องส่วนมากถ้าอยากจะได้ผลมากาการส่วนก็ต้องนั่งสมาธินั่งหลับทาอยู่ลงหรือบริการทุทโธมันมีหลายระดับของการจะทาใจให้ใหสงบ เบื้องต้นถ้าเรามีอินทรีย์อ่อนมีความเพียรอ่อนมีศรัทธาอ่อนก็ทําไปตามกําลังของเราตามอินทีย์ของเราแล้วถ้าวันดีคืนดีเกิดเรามีมีศรัทธาแรงขึ้นเชื่อว่าสิ่งพระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่เลื่อนที่สุดก็อาจจะเกิดมีวิริยะมีความมีมีความเพียรมากขึ้นก็อาจจะทำที่จะสวดบนเส้นๆอาจจะสวดยาวนะสวดสักชั่วโมองก่อนนอน อันนี้ก็อยู่กับความเห็นเห็นว่าการสวดนี้มีคุณประโยชน์กับจิตใจหรือไม่แล้วก็มีศรัทธาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์คุณมาริสาครับปัญญากับโยนิโมสมนัิการอันเดียวกันไหมเจ้าคะโยนิโสมันเป็นคำพูดใาเถึงให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบ อารจะเจริญปัญญาต้องพิเจริญอย่างรอบคอบทั้งทั้งในทั้งนอกอะไรอย่างเงี้ยพิจิตรพิจารณาร่าง ก, กายต้อพิจารณาทั้งทั้งในพิจารณาทั้งนอกพิจารณาทั้งตัวเราแล้วพิจารณาร่าง ก, กายของคองุณเนีากกาย่ยนี่นะรอบคอบแยกข่ย า, ขายดุนิสโตรนี้อแยกข่ายครับครบประเด็นอย่างงี้เนีครับเป็น ค, คาร์แบล ไปับรุ่นคุณฮาลฟาครับกาบเรียนถามค่ะถ้าเราทุกข์ใจไม่ว่าเรื่องใดเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมคะแล้วทํายังไงต่อไปคะถ้าทุกนั้นมันแก้ไม่ได้จากเราแต่กระทบใจเราเราต้องทอํายังไงให้เราพ้นถ้าเราพุทโธแล้วครับคือ <c ười> ถ้าเราใช้พุทโธหรือใช้ลม เพ่งอยู่ที่ลมเราก็จะระงับความทุกข์ได้ชั่วคราวเพราะถ้าเราเพ่งอย่างจริงจังแล้วสามารถหยุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ได้ความทุกข์นั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเราหยุดเพ่งเรากลับมาคิดไ่พอเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมานี้แต่ถ้าเราต้องการที่จะหยุดความทุกข์ใจอย่างถาวรเราก็ต้องพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจว่า เป็นเพราะอะไรเป็นพออราะ เ, เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้า <Sí> พอเราไม่ได้ตั้งใจอยากเราก็ทุกข์ใจถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ใจกับเรื่องนี้เราก็ต้องหยุดความอยากของเราปล่อยให้เลือกให้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอยากไปอยากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือเป็นสิน่งใดก็ตามถ้าเราไปอยากว่านี้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราจะทุกข์ขึ้นมา คุณสมพรครับการดูแลคุณพ่อคุณแม่เปรียบเสมือนการได้ดูแลปรนนิบัติพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบความคิดความเข้าใจเช่นนี้พอจะได้ไหมครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพ่อแม่เป็นเหมือนพ่อหลนต้องมีพระคุณมากกับลูกๆการได้ทำบุญกับพ่อแม่เป็นเหมือนกับได้ทำบุญกับพ่อทางศาสนาจื่อสอนว่าก่อนที่อยากที่จะไปหาทำบุญกับพ่อหลานนอกบ้านก็ให้ทำบุญกับพ่อหลานในบ้าน คุณมาริสาครับอยู่ต่างประเทศวันสําคัญทางศาสนาต่างๆไม่ได้ไปวัดเลยใช้วิธีเสพครบธรรมะทางโซเชียลและทําสมาธิและทําทานโดยวิธีที่สะดวกจะได้บุญเหมือนกันกันกบไปที่วัดไหมเจ้าคะได้การปฏิบัติี่ไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ใจที่สามารถนำธรรมะเข้าสู่ใจได้ห่ือไม่เช่นสติเช่นทานก็การทำทานก็เพื่อการลดความตันหนีรักความโลภ ในเรื่องเงินเข้าของเงินทองต่างๆเศีษฐก็คือละการการอยากกระทําความเชื่อต่าง ๆ, ๆแล้วฝึกสมาธิก็เป็นการระงรับความคิดผุแตกเพื่อทาใจให้สงบทั้งนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการปฏิบัติทางศาสนาศาสน า, าไม่ได้กําหนดว่าจะต้องไปปฏิบัติที่วัดที่ไหนก็ปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าสถานที่แต่สถานที่มันไม่เหมือนกัน สถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติก็มีสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติก็มีดัง okay. นั้นก็ต้องอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องจับแยกแยะว่าสถานที่ไหนดีกว่ากันอย่างไรคุณสมพรครับหากเราทุกคนยอมรับว่าเราต่างเกิดมาเพราะมีกิเลสกันทุกคนจากนั้นพอเรารู้ข้อเท็จจริงเราพยายามขัดเกลากิเลสดีสุดคืออย่างน้อยรู้เท่าทันกิเลส แล้วพยายามตัดกิเลสจากตัวรู้เอาตัวรู้ไปค่ากิเลสแต่คงไม่หมดไปซะทีเดียวแต่เสมือนยังดีเอามากๆที่ตัวรู้ไปตัดได้บ้างก็ยังดีคิดอย่างนี้พอจะถูกทางหรื อ, อยังครับก็เป็นการเริ่มต้นแล้วก็ต้องทําจากน้อยไปหามากเหมือนกับแข่งเวลาเราก็ต้องเริ่มจากสนามเล็กไปสู่สนามใหญ่สนามระดับหมาอะไรก่อนหรือระดับจงบังหวัดก่อนแล้วค่อยไประดับประเทศแล้วค่อยไประดับ นานาประเทศตามลาดับต่อไปการกำจัดชาวกีเลศการกาจัดกีเลศก็ําจัดตัวที่มันง่ายก่อนตัวที่เรารู้สึกว่าเราเรากำจัดได้เราก็กำจัดมันไปก่อนแล้วก็ไปไปสู่ตัวที่มันใหญ่ขึ้นยากขึ้นไปตามลาดับจนกว่าเราจะตัดกเลศทั้งหมดให้มันหมดสิ้นไปจากใจคุณวีระวันครับ ถ้าชวนคนอื่นไปทําบุญทําทานเราจะได้บุญด้วยหรือไม่คะการชวนไปนี่ไม่ได้บุญครัก็พราะถ้าเราไปชวนเข้าไปแต่เราไม่ไปทําบุญจะ ไ, ได้บุญก็ต้องทําบุญไม่ใช่ชวนการชวนนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญเลยคุณสมพรครับการหยุดเสพกามในทางธรรมหมายถึงการเสพรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพะมิได้หมายถึงการเสพกรารแบบร่วมหลับนอนเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ ทั้งหมดนะร่วมหลับนอนก็เสรพกลางเหมือนกันเสพรูปเสียงกินล้วของคนที่เราร่วมหลับนอนด้วยถ้าเขาไม่มีรูปเราจะไปเสรจบเข้าได้ไงเขาต้องมีร่างกายก็คือรูปที่เราเห็นด้วยตายเขาต้องมีเสียงภพ่เลาะให้เราได้ยินได้ฟังก็แล้ว เ, เขาต้องมีกลิ่นที่เราชอบอย่างนี้กลิ่นหอมแล้วก็เสพรูปเสียงกินรูปของคนที่เราเสารพกลางเนี่ย คุณเมย์ครับกาบเรียนถาพรเจารย์ครับทุกวันพระยา่าจะนําอาหารผลไม้ที่ไหว้เจ้าแล้วมาให้ครั้งละเยอะๆจึงได้มีแจกให้คนอื่นแต่ก็มีบางส่วนที่นํามาใส่บาตรพระด้วยการนําของไหว้เจ้าแล้วใส่บาตรพระทําได้ไหมคะผิดไหมครับไม่มีข้อห้ามแต่อย่างไรถ้าเป็นของที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปขโมยของขามาถ้าเป็นขโมยของมาใส่บาตรมันก็เจ้าคือ ได้ตั้งบะได้ําบุญคุณมาริสาครับหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ถูกหรือไม่เจ้าคะก็หัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าของเรียกของพระพุทธศาสนาก็ได้ก็คืออริยสัจสี่และไต่ลักเน่ยอันนี้จําทุกคำนะตา คุณสมพรครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราไม่มีกิเลสหรือกิเลสเบาบางชนิดไม่หลอกตัวเองครับก็สังเกตดูสิเราเคยตอนนี้ตอนนี้เราเบาบางหนุเราไม่หวงเงินหวงทองเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้พยายามที่จะไม่ใช้เงินใช้ทองของเราชอบใช้เงินใช้ทองของคนอื่นแต่ตอนหลังรู้ว่านี่มันเป็นกิเลสกต่อไปนี้ก็เริ่มใช้เงินใช้ทองของคนอื่น เวลาไปกินด้วยกันก็แย่งกันออกไม่ไม่ใช่แย่งกันเฉยคุณกรครับกาเปียนถามเวลานั่งสมาธิถึงจุดที่ลงผวังหัวใจมักจะเต้นเร็วจนทาให้ภาวะนั้นอยู่ได้ไม่นานจะแก้ไขยอย่างไรท่องพุทโธพุทโธอีกกลายว่าเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่เจ้าคา่ะใจ่มันเต้นเร็วมันกม็มันก็ยังไม่สงบยังไมนจะเป็นภ ว, วังก็ไม่ก็เป็นผวงังอเลย ถ้าประวังสมาธิบางเรื่องใจมันจะต้องสงบอย่างนั้นมันก็ยังไม่ถึงจุดที่สงบก็ต้องใช้คําบริกรรมพุทโธหรือต้องการต้องภาวนาต่อไปการนั่งเฉยๆเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมใจเดี๋ยวใจมันก็ผลิตความคิดปูนแต่งขึ้นมามันก็จะนั่งต่อไปไม่ได้มันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาคุณมาริสาครับ การแสดงความเคารพต่อพระศาสดาคือการปฏิบัติธรรมและเจริญสติสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานี่แสดงว่าเราแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระพุทธองค์ใช่หรือไม่เจ้าคะก็เป็นบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธาสอนว่าวิธีบูชาที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูบชาคุณมินครับ กาบเรียนถามพระอาจารย์หนูยังมีความอยากทำงานหาเงินเพื่อเก็บไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เผื่อท่านป่วยในอนาคตค่ะตอนนี้เลยมาทำงานที่บอสตันไม่ค่อยได้นั่งนิ่งๆแต่พยายามดำรงสติปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งยืนเดินนั่งนอนค่ะความอยากเลี้ยงดูพ่อแม่แบบนี้เป็นกิเลสไหมคะขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพของพ่อแม่ว่าเขาต้องอาศัยเราเลี้ยงดูท่านเขาหรือไม่ บางทีสถานะาการเงินการทองเขาดีกว่เราเยอะๆเขาไม่ต้อง อ, อาศัยเราเลี้ยงดูก็ได้เราก็ต้องดูประมาณดูว่าเขาอยู่ในสภาพไหนถ้าเขาเลี้ยงดูตัวเ้าเองได้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูเพราะยังมีการเลี้ยงดูพ่อแม่รูปแบบที่สําคัญกว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อทรงวิจารณาเห็นว่าครอบครัวท่านไม่อัตคัดขัดสน พ่อก็เป็นพระเจ้าแผ่นเด่ภรรยาก็เป็ น, เ ป, นเป็นเหเมือนกับอยู่ในวงังก็เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องอัตรภาพเรื่องอาหารการกินนี่ก็ไม่มีปัญหาอะแน่นอนพระเจ้าก็เลยไปบวชเพราะรู้ว่าถ้าบวชสาเร็จจะมากลับมาเลี้ยงดูเขาทางด้านจิตใจได้ดีกว่าก็ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดไว้ท่านก็ไปบวชพอตัดสินแล้วก็กลับมาสอนธรรมะ ก็ทําให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในวังนี้ได้รับประโยชน์ได้บวชกันได้บรรลุเป็นพราหารกันหลายรูปในกันอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะคํำนึงมากกว่าเพราประโยชน์สุขทางร่างกายมันก็เป็นแค่ชั่วคราวเช่นถ้าเราเล้ดูร่างกายพ่อแม่เดี๋ยวเขาก็ตายอยู่ดีตายช้าตายเร็วนั่นเองแต่ถ้าเรามาสอนให้เขาให้บรรลุทําได้เขาจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการแก้แค่ตายร อันนี้เป็นประโยชน์ที่สําคัญกว่าและยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ของการเลี้ยงดูร่างกายนั้งๆแต่ก็ต้องวิเคราะห์ดงว่ามันมีความจําเป็นหรือไม่ถ้าพ่อแม่เป็นคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้เราก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไปแต่ถ้าคิดว่าพ่อแม่เลี้ยงดูตัวเขาเอย่งได้เราก็ไปไปดูแลตัวเราก่อนคือไปทําตัวเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในการเว้นว่าต า, ายก่อน อย่ามกาวัวลมาเรื่องร่างกายให้ามากมกินไปเพราะร่างกายออกมาทุกคนมันเป็นของชั่วกลางเลี้ยงดูมันดีข น, นาดไหนในที่สุดมันก็ต้องสิ้นสุดหลงมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปยด้วยดี <Okay. S 1> แล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าเราไปเลีดูจิตใจไปไ ป, ปฏิบัติตามที่พระเจ้าส่งสอนคือศีลสมาธิปัญญาเราก็จะทําให้จิตใจเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย เราก็จะได้ไม่ทำมาคอยเรียกดูร่างกายทุกครั้งที่เราไีการเกิดต่อไปคุณสมพรครับโยมเห็นตาในของตัวเองแล้วว่าที่น้องที่น้องกราบเรียนว่าทํางานเพื่ อ, อยางชีพแต่ลึกๆก็มีความหวังในเรื่องรับยศอยู่แต่อาจไม่มากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามคือยังมีความอยากอ ย, อยู่ยังมีกิเลสจางๆเจือพนอยู่ทํางานแบบยางชีพก็มีส่วนถูกแต่ไม่หมดกิเลสร้อยเอร์เซ รู้ตัวเช่นนี้เข้าถึงเห็นธรรมของตัวเองชัดขึ้นคิดอย่างนี้พอจะเข้ารูปเข้าธรรมหรือยังครับเหมือนก็มันอยู่ที่ว่าเราละได้หรือไม่ได้ถ้าเห็นแล้วยังละไม่ได้ก็ยังไม่เห็นจริงๆเห็นแล้วต้องละได้เห็นวันนี้คือกิเลสมันต้องหยุดตัวกิเลสเนี้ยได้ถึงจะได้ยก่าเห็นธรรมถ้าเห็นแล้วยังละไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับเห็นแบบหลอกตัวเราเองว่าเราเห็นเห็นแล้วไม่ไปทำร้ายมันไเห็นไม่ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์ แล้วว่านี่คือภยัยอันตรายต่อจิตใจเราก็ต้องทำลายมันไปไม่ใช่ยังเก็บมันไว้อยู่คุณสิริออนครับบางครั้งเวลาฟังธรรมหรือรับพรหลังจากฟังธรรมน้ำตาจะไหลออกมาเองแต่ไม่ทุกข์ค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้คะขอความเมตตาครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความปิติความชื่นชมยินดีคุณมารีครับ ทำบุญแบบไหนที่ไม่ทำให้จิตตกที่ว่าบุญจะไม่ถึงผู้ล่วงรับไปแล้วและบุญที่จะรับได้คือเปลิดคือบุญที่อุทิศเน้นก็ทาก็ทำด้วยด้วยกำลังของเราเรามีมากมีน้อยแล้วก็ทำไปตามกำลังอเราอย่าไปทำเกินกำลังของเร า, า, เเราถ้าทำเกินกำลังมันอาจจะทำให้จิตเราไม่สบายใจได้นี่ทำตามกำลังงเรา แล้วก็จะสามารถที่ได้กับผู้ที่ลงรับไปได้ผู้ที่จะมารับบุญผู้ที่ได้ก็คือพวกที่เป็นเปตดังนั้นพอเป็นพวกที่มาขอบุญวนควกอื่นเขาไม่มาขอบุญเขาเขาอยู่ตามสภาพของเขาคุณสเปนครับขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุปบาทครับก็มันก็ไม่รู้อธิบายไง เ อ, อเราพูดคร่าวๆไวแล้วกันเริ่มต้นที่ดวิชาดวิชาคือผู้ที่มองการกจิตใจเราจิตใจเราไม่มีธรรมะก็เลยเรียกว่าเป็นดาวิชาคือไม่เห็นธรรมไม่เห็นอริยสัจสีไม่เห็นไตลรลักษไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นไตรลักษณก็เลยหลงคิดว่าวิธีหาความสุขคงใจต้องหาผ่านทางทางร่างกายผ่านทางรูปสี่ขีดและปุถุพะ ก็เลยสั่งให้สังขารส่งสัญญาส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่เวลาตาหูจมูกนิ้วกายได้สัมผัสกับรูปสิ่งกิตลดุจจภาพใจก็จะได้รับรู้รูปสิ่งกิตลดเมื่อได้รับรู้รูปสิ่งกิตลดที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายใจก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ ขึ้นอยู่กับรูปเสียงยินรถที่บาสัมผัสว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบที่ชอบก็สุขเป็นแบบที่ไม่ชอบก็ทุกข์เป็นหยอกเป็นแบบกลางๆ ก, ก็จะก็จะรู้สึกเฉยๆก็จะเกิดเวทนาสามอย่างขึ้นมาเงาใจมาเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดปัญหนาความอยากขึ้นมาต่อเพราะเมื่อเจอเจอสิ่งที่ชอบก็อยากจะได้นะพอเห็นกระเป๋าสวยๆนี่ ปัญหาเกิดแล้วเห็นซื้ถสวยรุ่นใหม่ออกมาเนี่เห็นเบนรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยน้ําลายน้ํำลายไหลายน้ําลายออกันแล้วปัญหาเกิดแล้วพอเกิดขึ้นมาก็ก็ก็จะต้องไปซื้อมันพอพอได้มันมาก็จะเกิดอุปทานความยึดมันยึดติดของมันก็เป็นนาของของเราแล้วมันก็จะสร้างภาวะขึ้นมาเป็นภาวะที่จะทําให้เรา ต้องคอยหาของใหม่ๆ ม, มาเส่เรื่อยๆเส่รูปเส่กินแล้วชุดนี้ใหม่ๆใส่ไปสักพักแล้วความรู้สึกสุขก็หายไปหายไปก็อยากจะได้ความสุขแบบอยากสิ่งเหล่านี้ใหม่ก็ต้องไปซื้อของใหม่มาซื้อกระเป๋าวันนี้แล้วก็สุขแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวแบเหนกระเป๋ารูปใหม่ออกมาก็อยากจะซื้อก็เหมืนก็เป็นการไปสร้างภาวะนิรภัยทังทั้ง ความความอยากใหม่ให้เกิดขึ้นเกว่าถึงวารที่ร่างกายนี้สิ้นสุดลงมันก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ภาวะนี้อาจจะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าวภาวะนี้มันหมายภาวะอย่างไรกันเนี่ยเประมาณว่ามันเป็ น, นเรื่องของการสร้างพบสร้างชาติถึงว่าเราอยู่ไปจนแก่ตาย แต่ความอยากที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิก่นรสมันยังไม่หมดมันก็ไปทำให้เราไปเกิดพบใหม่เกิดพบใหม่เมื่อเป็นได้พบใหม่มก็มีการเกิดแก่เจ็บตายทำนองนี้คุณเป๊ปครับผมสังเกตว่าถ้าฝึกสติแบบเคลื่อนไหวแล้วจะรู้เท่าทันเมื่อเวลาเมื่อเริ่มรู้โกรธแสดงว่าถูกจดิตกับการปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมครับ คือสติที่เราต้องการคือสติเพื่อที่จะหยุดความความทิศของเราหยุดความโลบความโกรธความหลงถ้าเราสามารถแล้ครับความโลบความโกรธความหลงได้ก็ถือว่าเป็นสติที่ถูกต้องคุณนร า, าครับขณะคุยกับเพื่อนถึงเรื่องเก่าๆดูภาพเก่าๆแล้วมีอาการน้ําตาไหล มันก่อนเพื่อนเอารูปสมัยก่อนมาให้ดูหนูก็รู้สึกดีใจน้ำมูกใสๆไหลออกมาหนูไม่อยากเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเพราะสติหนูยังอ่อนมากหรือเปล่าคะทำไมมันควบคุมไม่ให้น้ำตาน้ำมูกไหลไม่ได้ค ะ, ะใจยังอ่อนไหวต่อเสียงเกลียดตานอยู่ก็เลยเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาใจยังไม่นิ่งพอไม่มี อ, อุเบกขาอต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้น คุณสนัณณ่นครับช่วงนี้เจอบททดสอบหนักเลยเรื่องครอบครัวยอมรับว่ากังวลครับนั่งสมาธิก็หลุดบ่อยสวดมนต์ก็ไม่นิ่งวกไปวนมาลืมวักลืมตอนหมดอยากให้ช่วยหาทางออกจากความกังวลทําอย่างไรครับก็ต้องยอมเราความจริงมาเราอยู่ในโลกของความแม่นทิ่แท้แน่นอนอะไรก็เกิขึ้นได้น <c oughs> ะแต่เกิดขึ้นเมื่อไรเวลาไหนก็ไม่ไม่มีใครจะสามารถตอบได้ ก็ต้องยอมรับความจริงอะไรทําใจยอมรับว่าอย่างมากก็แค่ตายอย่างมากในที่สุดเราก็ต้องพัดพลาดจากกันคนในครอบครัวเราไม่ใช่ก็เล็วก็ต้องมีวันพัดพลาดจากกันต้องพิจารณานิจกรรมพิจารณาตายรับแล้วยอมรับความเป็นจริงของตายรับว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ชช่ก็เล้วในการอัดพลาดจากกันเป็นเรื่องธรรมาราโลกทุกควพาพัดพลาจากกันไปไม่ได้ คุณนิธิพักครับถ้าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ได้เดินจงกรมโดยนั่งในตอนเช้าทุกวันอย่างน้อยสามสิบนาทีจะสามารถทําให้จิตเกิดสมาธิได้ไหมเจ้าคะมันขึ้นอยู่กับสติของเรานะถ้าสติเราดีนะัน่งห้านาทีก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ถ้าสติไม่ดีนั่งชั่วโมงสองยี่โมงหรือนั่งทั้งวันก็ไม่สงบก็มีระยะไปนันมันไ่ไอยู่ที่เวลามันอยู่ที่กําลังของสติว่ามีมากมีน้อย คุณไบรท์ครับอยากทราบว่ารูปฌานอรูปฌานได้จากสมาธิถูกไหมคะแล้วถ้าเราจะละรูปฌานอรูปฌานเพื่อขจัดภาวะตัญหาวิภวะตันหาให้เข้าถึงนิพพานต้องทําอย่างไรคะก็ไม่ต้องไปเสดรูปฌานเมื่อก่อนในเวลาเรารู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็เข้าไปขั้นนั่งสมาธิให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็สมาธิก็อยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าสมาธิในระดับไหนได้ ถ้าเราเข้าในระดับรูปประชาได้เราก็เข้าไปในระดับรูปประชาถ้าเราเข้าในระดับอารมูปประชาได้เราก็เข้าในรอารมูปประชาอรมูปประชานี้มันมีความสุขมากกว่ารูปประชาแต่ก็ขึ้นอยู่ความสามารถของผู้ปฏิบัติว่าจะเข้าได้ถึงในระดับใดแต่ถ้าเราเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนการเสพยาเสพติดอย่างที่ต้องคอยเสพเรื ability, ่อยๆแล้วก็ยอมอยู่แบบไม่ไม่มีความสุขเลยปะ แต่พยายามที่จะหักข้ามใจไม่ให้ไปติดไม่ให้ไปเสกรูปประชาร์พอเราสามารถละความอยากเสกรูปประชารได้ความปัญหาที่เกิดจากการอยากจะเสกรูปประชานั้นรูปประชารก็จะหายไปดีกว่าการไปเสกคือได้ความสง บ, บแบบที่ไม่ต้องไปเสกและความสง บ, บจากการระงับการ อ, อยากจะเสกอย่างคุณบอกติดกาแฟเนี่ยพอถ้าในเวลาอยากจะดื่มกาแฟนี่มือไม่สัน่นนะต้องแวมมาดื่ม มันจะได้ใจจะได้เน่งเย็นสบายแต่ถ้าเราคิดว่ามันก็เป็นการเสพติดเสพตลอดไปก็ไม่มีวันอีกไม่มีพอ่อที่ว่าเราเลิกดีไหมเลือกเสพกาแฟเลยดีไหมเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ทนกับความมึนจนกว่าความมึนแล้วมันจะหมดไปผมคิดจนกว่าความอยากจะดื่มกาแฟมันหมดไปพอความอยากจะดื่มกาแฟหมดไปความหึนทรมานใจก็หายไป กายก็กลับอยู่อย่างมีความสูงได้โดยที่ไม่ต้องดื่มกาแฟคนที่ติดยาเสพติดเขาต้องเขาต้องหักดิ่มแบบเนี้ยต้องยอมต้องยอมทรมาร ก, กับความอยากนี่เสพ ย, ยาบางคนจะกับมัตรตัวเองนอนอยู่บนเตียงไม่ขยับเลยครก็ให้มันดิง่งให้มันสู้กับความทรมารที่เกิดจากความอยากจนในที่สุดเมื่อความอยากมันไม่สามารถทำตามความอยากตาม ท, ที่มันอยากได้มันก็จะหมดกำลัง พอหมดมันกลังพักใจก็กลับมาเน้นสงบเป็นปกตินี่คือการละลนะลนะกรมลนะเสตินี้ก็เป็นกรรมละรูนะปฌานรูปฌาก็ละแบบเดียวกันอย่าไปเซตอย่าไปเข้าชานอย่าไปนั่งสมาธิอย่าไปเซตรูปฌปานรูปฌาะอาจารย์ครับแต่เบื้องต้นเราต้องเข้าไปให้ถึงรูปฌานก่อนใช่ไหมครับใช่ือใช้เป็นเพื่อใช้เป็นตัว ตัวรับกับการที่เราขับทรมานใจที่เกิดจากการที่เราทำละการลงการการเสกการถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความทรมารใจที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นเสกการได้แต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีกำลังที่จะนิ่งเฉยต่อความอยากเสษการได้ทำนิรนดความมุขที่เกิดจาก กาอยากจะเสกกรรมันก็จะบานเทามันจะน้อยลงถ้าเรามีสมาธิถ้าใจเรามีอุเบกขารเราเจ้าใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการละาะการก่อนเมื่อเราละกรรมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาละเครื่องมืออย่าไปติดกับเครื่องมือเหมือนกับคุณหมอเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางรถยนต์หมอต้องใช้แม่แรงใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ยกล้อขึ้นก่อนยกล้อเวลายางแตกก็ยกต้องใช้แม่แรงใช้เครื่องมือมาคันน็อตออกเนี่ย พ อ, พอเปลี่ยนยาเสร็จแล้วคุณหมอก็ต้องเอาเอาแแรงลงปล ว, ว, ว, วอไปลปล่อยยาให้ลงมากับพื้นแล้วถอดแออม่แรงออกเอาแม่แรงไปเก็บไว้ออกเครื่องม้าเครื่องมือไปเก็บไว้เราจะได้ขับรถต่อไปได้แต่ถ้าหมอวอรปล่อยปล่อยแม่แรงไว้อย่างนั้นนไ้ที่ขันน้ก็ปล่อยมัไว้อย่างนั้นแล้วขับรถไปมันก็ขับไปไม่ได้ร่างมันยังรอยอยู่ครับเข้าใจนะที่เป็นเครื่องมือ มืนคุณมอทําการผ่าตัดเนีผ่าตัดเสร็จคุณหมอต้องเก็บเครื่องมือไม่ใช่เเครื่องมือทิ้งไว้ในร่างกายขังคนไข้คุณหมอต้ไปมาผ่าก้อนออกเรืออะไรออกนี่ครับชัดเจนเลยครับอาจารย์คุณสมจันทร์ครับบางครั้งมีอาการผุดความเข้าใจธรรมะขึ้นมา ยมเข้าใจว่านี่คือการอาการของการปรุงแต่งของจิตหรือเป็นความจําใช่หรือไม่คะจึงใช้การกําหนดรับรู้อาการและกลับมาทําสมาธิต่อทําถูกหรือไม่คะขอความเมตตาครับคือการเข้าใจธรรมะนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่เราเข้าใจแล้วเราสามารถเอาธรรมะที่เราเข้าใจมาดักที่เหลือได้หรือเปล่ามาลักความอยากได้หรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่เราควรจะสนใจไม่ต้องไปนสนใจว่ามัน การปงแต่งนัเป็นการความจำหรืออะไรทำนองนี้การมีธรรมะก็คือมีการมีปัญญาคืเอเห็นตายละนี่แต่ยังเรียกว่ามีการเห็นธรรมะเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงอย่างเงี้ยร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรามารละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้อย่าไปหลงประเด็นว่าไปคิดว่ามันเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นสัญญาเป็นสังขารมันไม่ไมัน ไ, ไม่มีประโยชน์ที่จะรูดแบบนั้น คุณสมพรครับถ้าเราเข้าถึงธรรมะคือธรรมะมากขึ้นเราจะใจเย็นมากขึ้นไม่ใต้โต้ตอบสิ่งเราอดทนต่อสิ่งเราได้มากขึ้นก่อนหน้านี้เป็นคนที่จะโต้ตอบต่อสิ่งเราคือไม่ทันกิเลสตัวเองเอาใจตัวเองเป็นศูนย์กลางรู้สึกเช่นนี้แสดงว่าโยมเข้าถึงธรรมมีธรรมชนิดประยุกต์ใช้เป็นเข้าใจเช่นนี้พอจะถูกต้องหรือไม่ครับก็ถูกต้องแต่ว่ามากับน้อยเท่านั้นเองมันยังมีอีกมากธรรมที่เราอยากเข้าไม่ถึง เราย็นได้เป็นกับสภาพหนึ่งหรือเราไปเจอสภาพหนึ่งเราก็อาจจะเย็นไม่ได้ก็ได้ดังั้นเราต้องอย่าประมาทอย่ า, าย้าละใจอยไปคิดว่าโอ้ยเราเข้าถึงธรรมแล้วเราสบายแล้วเราต้องคอยทดสอบตัวเราเองอย่างนี้หาข้อสอบที่ยากขึ้นยากขึ้นเข้ามาทดสอบใจเราคุณกรณครับการถือศีลแปดที่บ้านจําเป็นต้องกล่าวคําถือศีลด้วยไหมคะคือ การจะรักษาสิ่งนั้นเราก็ต้องมีเกีตนาทั้นั้นเองเช่นวันนี้จะรักษาสิ่งแต่ก็จบถ้าเรารู้ว่าเราจะรักษาสิ่งแต่ก็ถือว่าจะกล่าวหรือไม่กล่าวมันไม่สาคัญทางการที่ว่าเรามีความตั้งใจจะรักษาหรือไม่เมื่อเรามีความตั้งใจเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจทั้งนี้นคุณอภิชาติครับ การสร้างพระพุทธรูปถวายวัดกับการปฏิบัติธรรมอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับข อ, อการปฏิบัติธรรมได้มากได้เหมือนมากกว่าการสร้างพระพุทธรูปนี่เรียกว่าอามิสบูชาเป็นการทัดทานในระดับฐานแต่การปฏิบัติบูชานี่เป็นการปฏิบัติที่ขั้นสิ้นตะวัที่ปัญญาคุณตรมครับ โรคซึมเศร้าที่คิดโทษติเตียนตนเองวนเวียนไปมาเป็นอารมณ์หนึ่งที่เกิดมาจากกิเลสหรือเป็นอาการทางความคิดที่เกิดจากร่างกายครับเก็เกิดจากกิเลสความไม่รู้ความข้อเท็จริงของของเหตุของความซึมเศร้าว่าเกิดจากปัญหาความอยากของเราต้องไปติเตียนตัวกิเลสที่เป็นตัวปัญหาเราอยากได้อะไรพอเราไม่ได้เราก็เสียใจเศร้าใจ อยากบ่อยๆแล้วไม่ได้บ่อยๆก็เลยทําให้เราเกิด อ, อาการซึมเศร้าขึ้นมาแล้วก็มาโทษตัวเราเองว่าเราไม่ดีอะไรพวก น, นี้นะครับจริงแล้วมันเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเองที่เราไม่ได้อย่างใจอวิธีแก้ก็ตัดความอยากหาัดจิตดีอยู่กับสภาพที่เรามีอยู่เป็นอยู่สันโดษน้อยสันโดษคุณทีครับ เวลาเห็นคนยากคนจนคนแก่ถูกทอดทิ้งหรือมาแมวจรจัดแล้วรู้สึกสงสารมากควรวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์จากความสงสารคนอื่นครับก็มองอว่าเป็นบุญเป็นบาปของเป็นเป็นผลของกรรมของเขาแล้วกันเขาเคยทําบุญทํากรรมอย่างไรไว้ตอนนี้เขาก็ต้อมารับบุ ญ, บ, ญบุญกรรมของเขาไปเมื่อก่อนเข า, าจะทอดทิ้งพ่อแม่ของเขาไปได้ตอนเขาแก่ก็อาจะถูกคนอื่นทอดทิ้งต่อ เรื่องเป็นเรื่องผลกรรมของเขาแล้ววิบากกรรมของเขาคุณหลินครับพระอาจารย์ครัหนูไม่เมตตาให้กิเลสหนูถือไม้เรียวกับเตรียมอาวุธทําสงครามกับกิเลสภายในใจส่วนใหญ่มีข้ออ้างเยอะมากแม้แต่ใจตัวเองยังหลอกตัวเองได้เลยเจ้าค่ะเลยไม่มีอารมณ์ไปว่าใครเจ้าค่ะกิเลสชอบอะไรที่เล็ดเจ้าค่ะมันไม่ชอบอะไรต่าๆหนูคิดถูกไหมเจ้าค่ะศัตรูของเราคือกิเลสคนอื่ไม่ใช่เป็นศัตรูของเรา แล้วเราไม่ต้องไปลบกับคนหอลบกับกิเลสของเราคือความโลภความโกรธความหลทงทานั้นก็พอวันนี้พระเจ้าสอนออกคุณได้มาคุณไดมาเธอไปฆ่าเาผดคนสิ่งที่ควรจะฆ่าก็คือกิเลสไม่จะไปไปฆ่าคนเพื่อที่จะทําให้คุณได้บรรลุธรรมการที่จะบรรลุธรรมได้คุณต้องฆ่ากิเลสที่มีอยู่ในใจของคุณคุณเป๊ะครับ เวลาฟังธรรมะจากพระอาจารย์ให้จิตจับที่ลมหายใจและบริกรรมพุโทโธหรือเอาจิตจอ่อกับเสียงธรรมะจากพระอาจารย์ครับเอาจิตจอ่อกับเสียงอย่าไปอยู่ที่ลมอยู่กับพุโทโธเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่วิธีฟังธรรมฟังธรรมต้อ ง, งฟังที่เสียงถึงจะเข้าใจถ้าเราจะใช้พุโทโธหรือหายใจเราหายใจเราก็ปิดเสียงเสียงเราไม่ต้องฟังธรรมเพราะนี้มันจะตีกัน ใจก็ดูลงแล้วพุทธโแล้วก็มาฟังเสียงเนื้อมันก็เลยชดกันต้องเอาอย่างไรอย่างเนี่ยระหว่างเวลาฟังธรรมก็เอาถาต้องการผลจากการฟังธรรมก็ต้องฟังธรรมฟังเสียงธรรมถ้าต้องการจัำใจให้สมบเราก็ไม่ต้องฟังธรรมเราก็นั่งปิดปิดธรรมปิดเสียงธรรมแล้วก็ดูลงไปด้วยพุทธโท คุณเข็มจีลาครับหลวงตาเจ้าคะหนูถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานยุรู้สึกว่าเพื่อนทําไม่ถูกรับรู้ว่าถูกเอาเปรียบอยู่แบบนี้จะถือว่าเอาว่าเป็นเป็นกรรมของเราเองถูกต้องไหมคะชี้แนีด้วยครับอาจารย์ครับใช่ถ้าเราโทษตัวเราเองอันนี้รู้สึกว่าเรามาเกิดเมื่อเรามาเกิดแล้วเราองมาเจอกับสภาพต่างๆเหล่านี้มีดีมากไม่มีดีไม่มีดี ม, มดากมีคนเอาเล่นเอาเปรียบบ้างมีคนที่เขาเมตตากับเราบ้างก็มี เราอยู่ในโลกที่มันมีหลากหลายบุคคลด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโทษเขาเลยอย่าไปว่าเขาครที่ยาวเปรียบเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่ยาวเปรียบคุณเลยคนที่เขาเมตตาเห็นดูเราก็เป็นเหตุว่าเป็นธรรมชาติของเขาไม่นำไปโทษเขาโทษตัวเราดีทสุดถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์เหล่า น, นี้คุณสุพิญญาครับ น้องกราบน้ำรสะสการถ้าจิตสํานึกเห็นประตูสามบานที่เหมือนกันมากแต่ตัวเรายืนตรงกลางบานกลางที่สูงที่สุดแต่จิตสํานึกให้รู้สึกว่าต้องค้นลูกกุญแจให้ได้ดอกเดียวถึงจะเปิดได้พร้อมกันถ้าเราเปิดทีละบานเราจะตกลงจากที่สูงกราบพระอาจารย์เมตตาทำชีแนะเจ้าค่ะมันไม่ทราบคุณพูดถึงเรื่องอะไรถ้าคเนเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความฝั น, นเรื่องนี้เป็นจินตนาการมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรตรงไหนเลย ไไมม่าปรวคุณปียพงศ์ครับป้าจาย์ครับระหว่างการมาพบรูปพบอรูปพบและการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแตกต่างกันอย่างไรครับเก็ตัณหาเป็นเหตุงไงถ้าเรามีการมาตัณหาเราก็จะไปเกิดในการมาพบแล้วเราก็จะไปเสพการเพบที่มีการว่าก็คือการมาพบถ้าเรามี ภาะวะตันหาเราก็คือเราอยากจะเสพ ร, รูปประชานล้วก็ไปเกิดในรูปประคบถ้าเรามีมาวิภาวะตันหาก็คือความอยากเสพเอารูปประชานเราก็ไปเกิดในอรูปประคบนันเองหลังจากที่เราตายไปแล้วคุณใบบุญครับกราบสอบถามค่าจะช่วยคุณแม่ให้ปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรดีคะ ท่านจักังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่บอกปล่อยวางแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับลูกหลานท่านบอกว่ากังวลจนนอนไม่หลับค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปช่วยท่านได้ไหมก็เราก็คุยกับท่านแล้วไม่ใช่เลยวันนี้อย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเลยกังวลกับเรื่องของเราดีกว่ามาแก้ความกังวลที่เราไปกังวลกับคนอื่นดีกว่าความกังวลกับเรื่องของคนอื่นก็เป็นปัญหาเหมือนกัน พวกเรามักจะมองข้ามปัญหาของตัวเองแล้วไปมองปัญหาของคนอื่นแล้วก็ไปอยากจะแก้ปัญหาของคนอื่นนั่นจะทําให้เราเกิดความทุกข์กังวนขึ้นเลยชั้นหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวอย่างเบื้องต้นคปล่อยวางกอเนเถอดปล่อยวางทุกคนเองไหว้เขาขเกังวลไปไหว้เขาทุกไปไม่ใช่เรื่องของเราใจเราต้องวางเฉยให้ได้ก่อนแล้วจะช่วยเขาได้ก็ต้องอยู่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือไม่ถล้วก็มาขอปรึกษาว่าทํางานดรือกินไม่ได้ไไดนอนไม่หลับ ถ้าเรามีธรรมะเราก็สอนเข้ว่าต้องกลองต้องวา่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงพยายามรับความจริงกันนี้ได้เขาก็จะนอนตาหลับได้คุณสมพรครับธรรมะหลักวันวิสาขาบูชาคือธรรมะข้อใดครับก็เรามาดูถึงความวิเศษบุคคล ว, วิเศษที่นานานจะมาปรากฏในโลกนี้จากธรก็คือพระพุทธเจ้า บุคคลที่ไม่มีเมือนใครนะบุคคลที่มีอยู่กี่พันล้านคนในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าแม้แต่คนเดียวความรู้ความสามารถแตกต่างกันมากคุณเจ้านี้เป็นคนที่มีความมีบารมีสิบครบครบสิบประการมีเมตตาบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีมีเมตตธรรบารมีมีอุเบกขามีปัญญาบารมี นี่คือบุคคลที่วิเศษเรื่องมหาบุษเนี่ยมหาบุษถ้าพูดภาษาชาวบ้านภาษาสมัยใหม่ก็เป็นเหมือนซูเปอปร์แมนซูเปอร์แมนที่มีเพียงคนเดียวเนี่ยที่สามารถห่อวันเดินอากาศสามารถมองอะรทะลุได้มองอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสามารถทำลายกิเลสทหามัวหาวิชาที่ครองบงำจิตใจของสัตว์โลกได้ไม่มีใครสามารถทำได้ ด้วยตนเองจะทําได้ก็ต้องอาศัยคนที่ทำมาแล้วมาสอนมาบอกวิธีนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรน้มนมนึกว่าการที่เราได้มาเจอคนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนั้นๆจะมีนคนอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งแล้วจังหวะที่เรามาเกิดในในโลกที่มีคําสอนของท่านที่ตัวท่านอยู่ที่ก็เป็นเขาที่ยากมากยา ก, าา น, กนี่แบบการถูตั้งรีลว่าที่หนึ่ง เราจะได้เห็นว่าโอ้เรานี่โชคดีมีวาสนาและมีโอกาสที่เราจะได้รับประโยชน์จากการได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือคำด้วยตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสารพราะมันจะทําให้เรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเป็นว่ไยตายเกิดเราะาเราไม่ไมาเจอกับพระพุพะทธธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่มีวนันาสนาหลุดพ้นจากการเป็นว่ายตายเกิดได้ด้วยกำลับ นี่เือความหมายของวันวิสาขบูชาให้อารักฐานการเกิดกับพระพุทธเจ้าของการตัดสุลของพระพุทธเจ้าและการนำมันเป็นประโยชน์สั่งสอนสันนิชยตลอดระยะ45ปีเพื่อให้สันนิชย์ที่ไม่รู้วิธีการดับทุกข์ไม่รู้จักวิธีการยุติการเหนื่ยแต่เกิดไ ด, ได้ได้รู้จักวิธีและได้ได้หลุดพ้นจากการเหนื่อยเ คุณมาทิสาครับความกตันยูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่มีหลายเหตุการ์ทาให้เห็นแล้วเกิดความหดหู่ใจเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะไม่ซ้ำมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับการเห็นเหตุการณ์แล้วเกิดความหดหู่ใจเกี่ยวกับเรื่องความกระตันยูมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยความกระตัยนยูก็คือการสำนึกใ น, นบุญคุณของผู้ที่มีพระคุทกับเราใครก็ทําคุณประโยชน์ให้กับเราแม้แต่ ตัดบาปเพียงหนึ่งทุปีผู้เจ้าบอกมีประโยชน์มีุลประโยชน์กับพระพุทธศาสนานะเคยได้ยินนิทานเรื่องเลยพุทธการว่ามีชายคนหนึ่งอยากจะมาขอบวชตอนนั้นก็ไม่มีใครอยากจะบวชทห้เพราะไม่รู้จักไม่รู้จักชายคนนี้ว่าเขาทําคุณทําประโยชน์อะไรให้กับาศาสนาบ้างหรือเปล่าก็มีพระสารีบุตรน้่งที่บอกออจําได้ว่าชายคนนี้เคยใส่บาปให้กับผมหนึ่งครั้งผู้เจ้าบอกอธิษฐานว่ า, า, าชายคนนี้มีพระคุณ ก, กับศาสนา บวชค่ะบวชให้เขาได้ตอบแทนค น, นของเราด้วยการบวชให้เขาก็ไม่ทราบว่าเรื่องอดหูใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่จะมาทําให้เรื่องความประตันยูเมืนมันหายไปได้ยังไงไม่ทราบต้องต้องอธิบายใหม่ค น, คนเขียนอาจะเข้าใจความหมายแต่คนอ่านแล้วงงครับช่วงนี้เห็นคลิปที่พูดถึงความเหมือนกับลูกที่บอกว่า พ่อแม่มีไม่มีบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์กระจายอยู่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเขาไปเห็นคลิปแล้วเขารู้สึกว่าหดหูแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ก็ เ, เปนเพราะว่าไม่ ไ, มมได้รับการอบรมสั่สอนครับแล้วก็ไปได้รับการอบรมสั่งสอนที่ผิดก็ได้อนี้อยู่ที่การเรียนรู้ว่าจะไปเรียนจากใครใช่ไหมถ้าเรียนจากคนที่ไม่มีความตันอยู่เขาก็จะสอนว่าไม่มีบุญไม่มีคุณคถ้าไ ไปเรียนรู้จักคนที่เขามีความปิติอยู่เขาจะสอนว่าทุกอย่างมีบุญมีคุณแม้แต่หมามันคอยเหา่าเหา่าคัดกระโม่ให้เรามันกม็มีบุญมีคุณกับเราแล้วใครก็ตามที่ทํามประโยชน์ให้กับเรานี่เขามีบุญมีคุณกับเราแล้วแต่บางคนก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่นี้เป็นบุญคุณก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของการขาดการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อันนี้เป็นเรื่องปัญหาใหญ่ของปัจจุบันนี้เพราะเราละขึ้นเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมการอบรมสั่ ง, งสอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมนี้ปัญหามไปจากวงเรียนแล้วะครับ <Okay. S 1> สมัยที่เราเป็นเด็กนี่ยังมีการสอนวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่พลัเมิ น, เมนที่ดีอะไรต่งรางๆนี้ ม, น ม, นมนีนิทานอีศกอะไรตา่างๆนี้สอนเรื่องคุณธรรมต่างๆาร์ซิสสัจจจัลิกอะไรมันมีสอนอยู่ แต่สมัยนี้เราหาว่าเป็นของงมงายไปเลย ต, ตัดออกจากการสอนเด็กก็เลยไม่ได้รับการอบรมด้วยเรื่อง <Cost ain. S 2> ของคุณธรรมต่างๆคุณธรรมอันดีคนะงามอะไรไม่มีความกตัอยู่ไม่มีความเค้ารบสามมาคารวะไม่มีมีแต่กิเลสความคิดว่าตนเองเป็นตัวสําคัญที่สุดใครทำอะไรอะไรกับตอนนี้ไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณถือว่าเป็นการทําหน้าที่ ครับใช่นั่นเอหละพ่มีคนสอนแบบนี้ครับครูบาอาจารย์ที่ที่สอนเด็กทุกวันนี้ไม่ไม่มีคุณธรรมเลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เลยเพราะยุคของของการเรียนรู้มันหมดไปแล้วน่การเรียนรู้เรื่องคุณธรรมนี่เขายกเลิกไปเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนครับยังครูบาอาจารย์ที่มาเป็นครูบาอาจารย์ทุกวันนี้จะไม่ได้เรียนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมอืมครับเขาก็เลยไม่รู้ ว่าบางที่ก็เป็นเรื่องมงงานคนเข้าวัานี่เป็นเรื่องของคนลงงานอันนี้เข้าบูชาวิทยาศาสตร์คํามรู้ที่ได้จากทางวิทยาศาสตร์าาสมัยผมเรียนมัธยมยังเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจากพระอยู่เลยครับอาจารย์ได้ทันครับผมได้ก็ยังดีสามสิบปีก่อนแล้วครับอาจารย์ผมมครับผม คุณกิติศักดิ์ครับผ้าไตรที่พระท่านตบางสกุลแล้วและไม่ได้นําไปเรานําไปให้พระรูปอื่นบางสกุลอีกได้ไหมครับคือถ้าพระท่านไม่เอาไปไหมายถึงว่าเขาคืนให้เราใช่ไหมถ้าเป็นของเราเราก็ไปเอาไปถวายพระรูปอื่นได้แต่ถ้าเป็นของท่านแล้วเราเอาไปก็ถ้าแปลว่าเราเขโมยของท่านไปก็อยู่ที่ว่าผ้านั้นเป็นของใคร คุณณนะปัจจุบันครับขอการเบียนถามครับถ้านั่งสมาธิแล้วใจนิ่งแล้วเราจะเริ่มพิจารณากายโดยใช้แบบพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังครับอ๋อ ย, ยังไม่ต้องพิจารณาหรอกเวลานั่งสมาธิให้มันนิ่ง น, นานๆนิ่งบรรจุโมองได้ยิ่งดีไม่รอจากสมาธิมาแล้วค่อยมาพิจารณาแต่เวลาที่นั่งสมาธิไม่ควรพิจารณาเลยควรพยายามให้ใจนิ่งบรรจุโมงยิ่งนิ่ ง, น, ง, น, งนานไดเท่านนไรยิ่งมีกําลังมากขึ้นเท่านั้น คุณวีนาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเสมอแต่ยังมีอารมณ์โกรธแปลว่าการปฏิบัติธรรมไม่บรรลุใช่ไหมครก็ยังรับความโกรธไม่ได้เพราะเขาก็ยังไม่อยู่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุบรรลับกิเลสได้ทุกคนมันก็ไม่ใช่แต่ละคนก็แล้วแต่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติของแต่ละคนที่มีหน้ากมีน้อยไม่เท่ากันเราไม่สามารถที่จะไป ตรวจสอบได้จากการมองเห็นคําเราบอกว่าเขาปฏิบัติธรรมเสมอไหมเราไปเห็นเขาทุกวันหรือเปล่าแล้ววันหนึงเขปฏิบัติกี่ชั่วโมงเราเห็นหรือเปล่าเขาก็ไม่เห็นเราเข้ไปสรุปเอาเองว่าเขาปฏิบัติทําเสมอเห็นอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นเลยกังวลตัวเราดีกว่าเราปฏิบัติทําอย่างเสมอหรือเปล่าเราระงับอารมณ์ความโกรธได้หรือยังอย่างนี้น่าจะมีประโยชน์กว่าที่จะไปจ้องมองคนอื่น น่กไไปอยอะยะรเคุณสิริออนครับหนูมาจากครอบครัวคนจีนเราจะเริ่มการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยธรรมะอย่างไรดีคะตอนนี้ท่านอายุมากแล้วแล้วตัวหนูเองก็อยู่ต่างประเทศแต่ก่อนท่านก็มีเข้าวัดบ้างแต่จะไหว้พระที่สั่เจ้ามากกว่าเพราใกล้บ้านคะ่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ครับคนจีนเขาสอนให้มีความเคารพพ่อแม่อยู่นะเราก็เคารพพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบาย หน้าที่ของเราก็คือตอบแทนบุญคุณโดยการเลี้งดูท่านเหมืกับตอนที่ท่านเลงดูเราตอนที่เราเป็นเด็กคุณสบายครับมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์บอกว่าไม่มีจริงแลนะถามเรากลับมาอีกว่าแล้วเห็นหรือเคยไปมาหรือยังเราจะบอกเขาแบบไหนดีค ะ, ะเราก็บอกตามเราเป็นจริงเลยเราเห็นหรือยังอะไรไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเลย แต่เชื่อแล้วเรื่องเชื่อกับเรื่องเห็นเป็นคนละเรื่องกันบางคนไม่ไมไมจำเป็นจะต้องเห็นก็ได้แต่เชื่อว่ามีจริงก็ได้แล้วก็พูดไปตามความเป็นจริ ง, งเราแล้วถ้าเราเห็นเราก็บอกว่าเราเห็นถ้าเราบอกไม่เห็นแล้วก็บอกไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกเราเชื่อเราก็บอกไปแล้วเรื่องของความเชื่อเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องขอ ง, ของเขาเรื่องเหานี้มันไม่สามารถที่จะมาบัะคับกันได้ คุณพาุวัตรครับเรียนถามการแผ่เมตตาหลังปฏิบัติที่บ้านควรกรวดน้ําด้วยไหมครับคือการแผ่เมตตาการกรวดน้ำในคนละเรื่องกันการกรวดน้ําคือการทิ้งบุญที่เราได้จากการทําบุญเช่นน้ําใส่บาตรเสร็จแล้วก็กวดน้ําได้นะกรวดที่ไหนก็ได้จะใช้น้ำหรือไม่มีไม่ใช้น้ําก็ได้เพราะบุญน้ํานี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวรูปธรรมมมาแสดง เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่านน้ํานี่เป็นบนุญเวลาเทน้ําจากภ า, าชนะหนึ่งไปสู่ภาชนะหนึ่งก็เหมือนเราถ่ายบุญจากใจของเราไปสู่ใจจากไปสู่ดวงวิญญาต์เท่านั้นเองการที่เราใช้น้ํานี้เป็นการสาธิตเรียกว่าสาธิตการการการแบ่งบุญจากใจเราไปสู่ดวงวิญญาต์ดยการเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่ง อ น, นเป็นการสาธิตเพราะบุญมันเป็นนามธรรมาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีความรู้สึกความรู้สึกที่เราเกิดความอิม่มอใกใจสุขใจในเวลาที่เราได้ทำบุญทำความดีแล้วก็สามารถแบ่งบุญอันนี้ให้กับผู้ที่น้องรับไปแล้ให้ก็ได้มีความอิ่มใจสุขใจกับเราส่วการแผ่เมตตานี่ย เ, เป็นการให้ความความเป็นเมตตากับคนกับบุคคลตา่างๆ เราจะแผ่เมตตาก็ต้องรองเวลาที่เราพบปะกันพบประใครก็ทักทายเขาสวัสดีครับยิ้มยิมยามแจ่มใสให้กับเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่น่าเบื่อหน้าอ้อนหรือเริกด่าว่าเขาอย่างนี้เรีรรรเรเรยกว่าไม่แผ่เมตตารครับคุณสุภาพรครับกลับขอโอกาสอาจารย์เหตุที่มีการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์อยู่มาจากอะไรเจ้าคะมาจากความอยากสามประการ อยากเสพกลางอยากเสพรูืปัจจัแล้วอยากเสพบรรลุปัจจัยก็จะทําให้กลับมาเสพอยู่เรื่อยๆเหมือนคนติดยาเสพติดคนนั้นติดยาเสพติดนี่เสพคนเดียวพอไม่ไม่พอใช่ไหมหรือคนติด ก, กาแฟเนี่ยไปสตาร์บัคคนเดียวแล้วไม่กลับไปซื้อได้ไหมหรือไปอเมซอนทำไมไปแล้วเดี๋ยวก็ต้อกลับมากลับไ ป, ไปหาอเมซอนอยู่เรื่อยๆหรืสตาร์บัคอยู่เรื่อยๆเพรามันติดไเพราะมันเส็จแล้ว ม, มันติด เสพการ์นั้นมันก e? ็ติดพอร่างการที่ตายไปมันก็กล <Peanut S 3> ับมาเกิดใหม่มันมีร่างกายใหม่เพื่อที่จะได้ไปเสพการใหม่เสพรูกประชานก็เหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้มานั่งสมาธิเข้าเข้าเสพลูกประชานใหม่นี่คือเหตุที่พายเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยถ้าอยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องเริ่มความอยากเสพการอยากเสพรูกประชานนั่นอยากความอยากจะเสพลูกประชาน คุณก้องคอมเมนต์บอกว่าได้ฟังแล้วรู้สึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเลยขอรับคุณมาค้าสีครับบางครั้งเรารู้สึกไม่สบายใจที่ต้องฟังธรรมกับพระที่แสดงธรรมแต่เบื้องหลังสูบุหรี่เราจะทําใจอย่างไรครับก็เราก็นั่งพอนาคุตโธไปก็ได้ด้วยหายใจไปมีแต่กายาของร่างกายนั่งความธรรมด้วยความสงบ แต่ ใ, ใจเราไม่ได้ไปสนใจถ้าเราไม่มีความศรัทธาเราก็ดูลมหายใจเขาออกไปหรือบริกรรมพุ่งถัวพู่ถัวไปไม่ได้คุณปุ้ยครับคําว่าผู้มีจิตเหนือโลกคือคนที่เข้าใจแบบวิปัสนาใช่ไหมคะพอเข้าใจก็จะไม่กลัวความตายเมื่อเราหมั่นฝึกยกระดับจิตก็ไม่ควรที่จะกลัวหรือกังวลเพราะเราเข้าใจว่ามันเกิดมันก็จะดับใช่ไหมคะ คือคนที่มีติตแล้วก็นนกคือคนที่ไม่ติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรลบนี้เราจะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเขาก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความทุกข์เขาอยู่ในสิ่งเหล่านี้คุณนัตภาครับเราจะฝึกตัวเองอย่างไรให้อ่านหนังสือแล้วมีความจำดีคะไม่ต้องมีสติอยู่การอ่าน เราเข้าใจทุกคําตัวอักษรที่เราอา่านมันก็จะเข้าไปในใจแต่ถ้าเราอ่านแบบใจลอยมันก็มันย้อนจะไม่เข้าไปในใจอ่านไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งที่เราอ่านนี้ไม่เข้าไปในใจเลยแม้แต่นิดเดียวย้อนอ่านด้วยการมีสติถ้ามันยังไม่มีสติมันอ่านแล้วใจลอยก็อ่านช้าๆอา่านทีละตัวอ่านทีละคําไปให้มันเข้าไปใน ใ, นใจใได้ กตอ า, อารคุณสิริการครับการนักมาตการครับเรื่องของหมอดูหรือฮวงจุย้ยเราควรเชื่อถือหรือไม่คะ บ, บางทีมาทักทายไม่ดีทําให้เราไม่สบายใจเจ้าค่ะพระเจ้าไม่สอนให้เชื่อเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่เราควรเชื่อก็คือกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วท่านี้ คุณยายรินครับกราบสาธุพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาการที่เราจะออกจากทุกข์ได้ด้วยการละกิเลสความอยากจนหมดไม่เหลือใช่ไหมครับความอยากความอยากเอาความอยากเอาความอยากความอยากจนหมดไม่เหลือใช่ถูต้องความดัดความอยากให้หมดไม่มีความอยากนะเสด ร, รูปเสียงกิเลสไม่อยากได้ลาบยศสัรพเสริญไม่อยากได้รูปประชานไม่อยากได้อารูปประชาน คุณเป๊ปครับเคยเห็นว่าทําไมก่อนถวายผลไม้ให้พระต้องทําการบีบให้แตกครับคือโบราณแล้วที่เราผลไม้มันสิ่งที่มีชีวิตอยู่สิ่งที่มันยังไปเได้สิ่งที่มันมีแม็ดมาแล้วพวกตัวเมโลหรพวกอะไรที่มันมีเลดนี่ยถ้าเรามันดมาพ่อปลกมันก็ยังตกขึ้นมาเะนั้นติบโตขึ้นมาได้การที่เราเอาผลไม้ที่ยังมีมเมล็ดไม่มีอะไร อยู่นี่ไปถวายพระเหมืนกับว่าให้พระกินแ้วว่าทาลายเป็นการฆ่าฆ่าสิ่งที่มีชีวิตนี้การทำปานนาธิบาดังวิธีที่จะแก้พระเจ้าก็บอกว่าให้เราทําลายทำทำลายเป็ตัวอย่างเช่นหากมันยึดตัดมันตัดผิวออกทั้งหน่อยตัดเปลือกมันออกทั้งหน่อยเป็นการกระทำแบบว่าเราได้ฆ่ามันแล้วทำมันตายแล้วเวลาพระกินก็ไม่ได้ถือว่าได้ฆ่ามันแล้วเพราะมันเปนของตาย ก็องทำให้มันตายก่อนแต่ควจริงมันไม่มีโรงรมันไม่มีการรับลมมันไม่มีความชุกยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแบบมนุษย์เนื้อสัตว์ในราชายังไม่ถือว่าเป็นการทับปะทิบะแต่เป็นการเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านเขาไม่มาตํำหนิพระว่ากินของเป็นเป็นเป็นแบบทําลาชีวิตนีก็ให้โยมที่มาถวายของไม่ทําลายให้ก่อน ซึ่งบางแห่งเขาอบอกเปิดให้อย่างดีเช่นมะม่วงมาอะไรบอกเปิดให้แต่เนื้ออย่างเดียวไม่มีมเม็ดม า, ากอเขาเ้าด้วยแต่ ท, ทางทางภาคอีสานนี้เขาจะทําแบบแบบถ้าเป็นพริกหรือเป็นอะไรให้หักทั้ทําเม็ดหนึ่งทําเป็นตัวอย่างมันได้ทําลายกันแล้วถ้าเป็นถมมั่วบุ้งก็หักมันหน่อยอะไรทำนองนี้อะไเป็นการทํากับเปียะ กับยะคือเวลาญ่าโยงเอาขอเป็นผลไมห้หรืเป็น่วงผักที่มันมีมีรากที่ยังจะขึ้นได้พไมะใช่ท้าวกับย่กเราเริ่มทำกั บ, ย, กกบ ย, ออย่าแล้วย่าโยงมาทำต่อหน้าถ้าเป็นผักบุ้งมีรากนะหักมันรากต้นหนึ่งแล้วก็บอกกับยะาพันเตนได้ทับกับยะแล้วหรือทําให้สมควรกับการบริโภคแล้ว คุณนิรุตครับการเพิ่มกําลังของสติให้มีมากโดยการภาวนาพุโทโธบ่อยๆใช่หรือไม่ครับใช่ต้องบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆใจเราจะได้ไม่ไปคิดไม่ไปลอยไปตามาความคิดตนน่างๆใจเราก็จะมีความรู้สึกตัวมากขึ้น <c oughs> คุณวันเพ็ญครับเราสามารถฟังธรรมในห้องน้าได้หรือไมครั <c oughs> เช่นขณะอาบน้ำครับ <c oughs> คือการฟังธรรมนี้ท่านสอนว่าเราควรจะฟังธรรมด้วยความกังวล ในวิามที่ส้งสมบกายสมองวาจาและสมบใจยังคิดว่าถ้าฟัานทำนะทำนะนี่มันคนงจะไม่ไม่แต่ไม่ห้ามนะถ้าถ้าอยากจะฟังคือทำมันมีสองระดับทำที่เกิดจากการปฏิบัตินี่เราสามารถเจริญได้ในทุกวิญญาณไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเช่นการพิจารณาธรรมด้วยใจของเราเอง เราสามารถที่ทําได้แม้กระทันงําลังถ่ายอยู่นี้ว่าพิจารณาสิ่งที่เราสอดถายออกมาว่าเป็นปฏิกูลเป็นอาหารเนี่ยเป็นอาหารทุการั้งเพื่อที่เราจะได้ใช้ความเป็นปฏิกรูปของอาหารนี้มาระงับความอยากกินง า, านรับประทานอาหารได้อันนี้เราก็สามารถพิจารณาทําได้แลาวนนเราฟังทำเช่นธรรมของคูอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั้นของใครนี่เป็นของที่เราควรจะให้การเคา เราพูดาควรจะฟังในที่ที่มันเหมาะสมแ ล, ะแล้วก็เราก็ต้องนันอยู่ในความสงบด้วยโดยสงบ ก, กายไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรสงบวาจาไม่พูดคุยกันสงบใจไม่คิดถึงเรื่องอะไรอันนี้แหละคือการท ำ, ท, ำที่ถูกต้องควาด้วยความเคารพความเมตตาใ จ, าจาที่สงบ คุณเกียรติยุทธครับเห็นรูปสวยยังเห็นว่าสวยในแว บ, บแรกแต่จะตามมาด้วยความรู้สึกว่ารูปนั้นประกอบด้วยสิ่งสโปรกไม่สวยงามเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งยืนควรทําอย่างไรกับความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาครับก็แล้วแต่คุณเลยถ้าคุณยังเห็นสวยอยู่มันก็จะมีสัมพันธ์แบบถ้าคุณเห็นไม่สวยคุณก็จะมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนก็อยู่ที่ตัวคุณ ถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากอวามทุกก็ต้องมาเห็นว่าภรรยาไม่สวยไม่งานและไม่อยากจะอยู่กับภรรยาอีกต่อไปอยากจะแยกทางกันอยากอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นการที่ตัดความทุกข์ที่เราจะต้องมาชุกกับภรรยาคุณ คุวริศครับตอนนี้มีข่าวดราม่าเรื่องปล่อยปลาดุกว่าเป็นบาปเพราะไปทำลายระบบนิเวศอยากได้ทัศนะจากพระอาจารย์ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปตามที่สังคมถกเถียงกันอยู่ครับถ้าเราเป็นการช่วยช่วยชีวิตปลาดุกนั้นมันจะบาปตรงไหนถ้นกาก็จะปลาดุกตัวนั้นไปแกงไปฆ่าแล้วเราไปซื้อมาแล้วไปปล่อยก็าปลามันอยู่ในน้ำมันจะไปทําลายระบบนิเวศได้ยังไงตบ้านของมันอนะ่ะมนุษย์เราต่างหากที่ไปทําลายระบบนิเวศ ด้วยการไปใส่สารเคมเีต่างๆในน้ำเต็นไปหมดอย่างนี้ไม่ว่ากันถ้าันนี้์ทำไม่เป็นไรพอไปทำบุญหน่อย ม, มีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นการเป็นการทำบาปขึ้นมาทันทีนี่แหละคือตักกะของมนุษย์ที่ไม่มีธรรม ะ, ะคิดแบบนี้ คุณพัชรินครับถ้าเราโดนกั่นแกล้งโดนอารัดเอาเปรียบโดนอิจฉารือเสีจากคนรอบข้างเราควรวางใจอย่างไรคะและควรแก้ปัญหาอย่างไรคะตอนนี้หนูแก้ปัญหาโดยการเลิกคุยเลิกคบไปเลยคะ่ะหนูแก้ถูกไหมคะห้่ถูกหก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นนิสัยของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนการเราต้องอยู่กับกล้วยเนีก็อยู่กับกล้วยไปเราอย่าปรยาดให้กล้วยท่านเป็นทุเรียนอย่างนี้อย่าประ ย, ยากอย่างเดียว บ่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วก็อยู่กับเขาได้คบค้าสมาคมกับเขาได้หายเมตตาให้กับเขาได้คุณมนทิราครับเวลานั่งสมาธิอยู่กับพุโทโธพอสงบแล้วพุโทโธหายไปสติไปอยู่กับลมหายใจหรือความสงบแทนถูกไหมคะหรือควรดึงพุโทโธกลับมาใหม่เมื่อไหร่จึงควรจะปล่อยคำภาวนาคะถ้าใช้คำว่าพุโทโธก็ไม่ควรจะปล่อยพุโทโธไป จกนกว่าจิตจะรวมสงบดึงลงไปสูขข่ความสงบแล้วมันจะหยุดหายไปเองแต่ถ้ามันหายไปเพราะเราหยุดพูดโทเนี่ยมันไม่ใช่นะเราที่เกยบพูดโทนเราก็หยุดล้วว่าพูดโธหายอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องแบบจิตดึงลงเหมือนตกจากที่สูงแล้วก็นิ่งสงบแล้วพูดโธก็จะหายไปอนยะ่างนั้นก็พอถึงจุดนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะจิตมันจะไม่ดิ่ลงละจิตมันจะนิ่งเฉยเราก็อยู่กับความนิ่งไปดนเท่าที่เละ น, น่าด้าน คุณเจษดาพรครับพระอาจารย์ค้าคนในครอบครัวที่ไม่เชื่อเรื่องว่าตายแล้วต้องเกิดใหม่เราจะพูดอธิบายก็เหมือนเขาไม่เชื่อคะ่ะควรถือเป็นกรรมของเขาใช่ไหมคะใช่เราทำไมจะต้องไปอธิบายเขาฟังด้วยถ้าเมื่อเขาไม่อยากจะเชื่อทาเขาไม่ถามเราก็าไม่ต้องไปพูดดีกว่าไม่ชเรื่องของเ คุณบ้านพอสุขครับนิวรณ์ห้าเข้ามาทีละตัวคะ่ะหนูจะจัดการกับนิวรณ์เหล่านี้อย่างไรดีคะก็มันเป็นเหมือนเราอะถ้าเวลาเราปวดหัวเราก็หายาแก้ปวดหัวมากินถ้าเราปวดท้องเราก็เอายาแก้ปวดท้อง ม, ม, มากินธรรมะที่แก่นิวรณก็มีไว้สาหรับมากจัดนิวรณ์เช่นถ้าเราไม่มีศรัทธาในพเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องรีบไปศึกษาประวัติ พลพ่อมุจาประวัติของพระระยสองสาบศึกษาคําสอนท่านเพิ่มมากขึ้นให้เราเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นว่ามุทตเจ้าท่านดีอย่างไรประเสริฐอย่างไรถ้าคุณทาประโยชน์อะไรให้กับเราศรัทธาราจะกลับมาได้ถ้าเราเสื่อมศรัทธาเพราลบางทีเราอาจจะไปเห็นพระเลื่อนได้ข่าวข่าวพระที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบขึ้นมาก็เลยทําให้เราเสือสาา่อมศรัทธาเราก็เลยเสื่อมเหมาไปหมดเลยทั้งเข่ง ปลาเน่าตัวเดียวแล้วก็ไปไปทิ้งปลาทั้งหมดที่มีอยู่ในเขงแทนที่จะแยกปลาที่เน่าออกไปทิ้งแล้วเก็บปลาที่ดีไว้อันนี้เราต้องใช้ใช้ปัญญาเราต้องพยายามหาข้อมูลมามเพิ่มเติมเพื่อเสริมเสริมศรัทธาของเราถ้าเกิดการเสริมศรัทธาขึ้นมาให้เราถึงว่าผพระธรรมปรสงค์ถ้าเกิดการมรรบขึ้นมาก็้พิจารณาสุขะ ถ้าอยากจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรือกับใครก็ตามเราต้องพยายามหมั่นพิจารณาสุภาพหเห็นว่าร่างกายของแฟนนี่ไม่สวยงามเป็นรบบซาสสบและถ้าเกิดเกิดความง่วงเหาเหานอนเราก็ต้องใช้ใช้การอดอาหารก็ได้ถ้าเราอดอาหารแล้วความง่วงนอนมันก็จะเบาบางนะไม่มีเลยก็ได้หรือถ้าเราอดอาหารไม่ได้เราก็ต้องไป ฝึกสมาธิในที่มันน่ากลัวเช่นในป่าช้าหรือในป่าเปลี่ยวนี่อาจจะมีภัยจากสิงสารสัต์ต่าๆเอามาอยู่ในที่อย่างนั้นความวุน่วนของอารมณมันก็จะหายไปได้ถ้าเกิดความผูสกสาจะแสดงว่าเราไม่เจริญสติเลยแล้วเราต้องหมั่นเจริญพุโทโธพุโทโธอยู่ท่องวันนั้นคืนเราก็จะระลับความผูกสาได้เปต้นถ้าเราเกิดความโกรธเราก็ต้องรู้จักการให้อภัย ใครทำให้เราโกรธล้วก็ต้องเอาเวลาหอนตัวไม่จองไ่จองกลับกันไม่ถือโทษกอดคืนกันความโกรธก็จะหายไปยนีก็คือวิธีแก้ในวันห้าชนิดด้วยกันด้วยธรรมะชนิดต่างๆใช้ชันธรรมะอย่างเดียวก้นทัห้าไม่ได้มันเั็นเรื่องเฉพาะกิจคุณแสงได้ครับพระอาจารย์การตักบาตแล้วเราไม่ได หยาดน้ำน่าจะกวดน้ำนะครับเราจะได้ผลบุญนั้นใหม่เจ้าค่ะเราบุญได้ตั้งแต่เราตัดมาแล้วส่วนการกวดน้ำนี่เป็นการแบ่งบุญที่เราได้มาให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วถ้าเราไม่กวดผู้ที่ลงลับไปแล้วก็จะไม่ได้แต่การกวดน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำํำคือการทิบบุญนี่ไม่ต้องใช้น้ําเราเพียงแต่เราลึกในใจเราหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งเราลึกภายในใจว่า ขอแบ่งบุญนี้ให้กับท่านทั้นท่านนี้ที่ลงรับไปแล้วก็ก็สําเร็จประโยชน์ได้ทันทีไม่ต้องใช้น้าแต่ถ้าจะใช้น้ำก็ไม่อาอันนี้น เ, เป็นธรรมในแบบนี้ก็ความเชื่อคุณคามีโอ้ครับพระอาจารย์เจ้าคะการจัดอาหารถวายใส่ถาดให้กับพระเทระแทนการใส่ลงในบาตรโยมจัดอาหารถวายแล้วไม่ได้ไปใส่บาตรสามารถทําได้และมีผลเท่ากับตักข้าวใส่บาตรไหมคะ ก็เหมือนกันแนหะการถวายอาหารจะใส่บาตรและไม่ใส่บาทก็ถือว่าได้ถวายอาหารเหมือนกันคุณพัชรินบอกว่ามีคนฝากถามครับหากเกิดมามีหน้าตาขี้เหร่อ ย, อยากทราบว่าจะทําอย่างไรคนถึงจะยอมรับในตัวได้ครับก็พยายามมองส่วนภายในของเราให้มากขึยายามมา้นว่าส่วนที่มันไม่สวยงามใน ม, มากกว่านี้หน้าตาขี้เหร่นี้ยังดีกว่าโครงกระดูกที่เรามีอยู่ในใต้ผิวหนันเงเรา ดีกับปอดดีกับหัวใจดีกับเตับดีกับลำไส้ถ้าเราเปรียบเทียบกันนี้เราจะคิดว่าเราก็ไม่ขี้เหออ ร, นะร่เท่าไหร่นะแล้วเราก็จะมองให้ว่าทุกคนก็เหมือนกันพรอพ้นจัดผิวหนังลงไปแล้วมันก็ไม่ตะส่วนที่ไม่สวยงามให้เราดูกนะงนั้นครับคุณทีคัฒนาธนาครับความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปกันมาจนเกิดความเบื่อหน่าย แต่ทำอย่างไรถึงจะเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเฉยเฉยจะได้อยู่เหนืออารมณ์สุขทุกข์ใจได้เจ้าคะก็ลองฝึกสมาธิทําใจให้สงบให้มีเยวีขาแล้วใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยกับความสุขความทุกข์แล้วถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าความสุขความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอ น, นัตตาเราควบคุมประคับไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็ น, ปนปไปตามเรื่องของมันมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็เฉยเฉย คุณกิติศักดิ์ครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้ครับไม่ทราบใครสอนว่าให้ปล่อยวางผู้รู้ผู้รู้นี้ปล่อยวางไม่ได้สิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องปล่อยวางก็คือกิเลสปล่อยวางสิ่งที่เราไปยึดไปติดเช่นปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เราต้องปล่อยปล่อยวางขันห้าแต่ผู้รู้นี่เราปล่อยไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รู้เราจไปปล่อยตัวเราได้ ผู้รู้ก็คือผูร้รก้เนี่ยผู้รู้ไม่เป็นปัญหาโดนปัญหาคือคือกิเลสที่มีอยู่ในผูร้รู้โดนโรควดหลงที่มีอในผูร้รู้ให้ปล่อยวางตัวนี้ปล่อยวางตัวโรคกวดคุณจันท์ิราครับน้องกราพระอาจารย์ค่ะอมาม่าเขาหนูอายุหนึ่ง้อยห้าปีสติสัมปชัญญะยังดีไม่หลงลืมแต่เป็นผู้ปว่วยติดเตียงมานานช่วงสองสามวันนี้อาการอ่อนแรงมากทานอาหารไม่ได้เลยพาไปให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาล คุณหมอต้องการให้อาหารทางสายยางแต่ครอบครัวปฏิเสธเพราะไม่ต้องการให้อาม่าเพิ่มทุกขเวทนานท่านพุดโธได้หนูเปิดไลฟ์ธรรมะน้ากุติให้ท่านฟังท่านสงบนิ่งค่ะกล่าวขอคําแนะนําพระอาจารย์ได้จากคุณหมอและพยาบาลยังกดดันอยู่ค่ะเราอยู่ที่คุณอาม่าของหนูเองว่าจะจ ะ, จะเอาอย่างไรอันนี้เป็น เ, นเนรื่องรางกายของท่านต้องท่านเป็นคนตัด ส, สินใจว่าท่านจ ะ, จ ะ, จ, ะจะให้หมอ ท, ทําตามที่หมอต้องการหรือว่า จะจะไม่ต้องการรักษา็นเรื่องของภาวา ค, คุณธนวันครับวันที่เรามีสติอย่างต่อเนื่องถ้ามีปัญหาเข้ามาใจเราจะนิ่งมากและค่อยๆแก้ปัญหาไปได้แต่ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีสติเวลาเกิดปัญหาใจเราจะหนักมากอึดอัดและแก้ปัญหาไม่ได้เลยเจ้าค่ะก็สติมันเป็นธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะกำจัดปัญหาต่างๆให้มันบมไปจากใจคุณฮาวฟ้าครับกับถามพระอาจารย์ครับเราจะไม่อยากเราจะทําจัดความอยากต่างๆได้อย่างไรคะมันไม่ง่ายเลยเจ้าค่ะก็ฝืนมันไงมันอยากจะไปเที่ยวก็อยากไปอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็อยากไปใช้เหตุผลสิใช้ปัญญาว่าจำเป็นไหมกระเป๋าใ บ, กใบเก่ายัางใช้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า ถ้างใช้ได้อยู่ก็ใช้ใบเก่าไปก่อนอย่ น, นี้ก็จะฝืนความอยากได้อยากไปเที่ยวเที่ยวได้แหละครับมาเที่ยวแล้วมันก็หมดกลับมาแล้วความสนุกสนดานที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปหมดนใช้เหตุใช้ผลถ้าอยากจะหยุดความอยากต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วนอกจากเหตุผลแล้วยากต้องมีอุเบกขาจใจเราต้องจักหยุดรู้จักนิ่งเฉย เราก็ต้องฝึกสมาธิด้วยถ้าเรามีตั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเราก็จะละความอยากได้คุณเอกชัยครับทั้งๆที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เราอยากกินอยากไปอยากทําเป็นกิเลส ต, ตัณหาแต่ทําไมเราถึงห้ามใจเราไม่ให้ทําตามความอยากนั้นไม่ได้สักทีครับว่าเราขาดสมาธิขาดสตินะเติที่จะหยุดยัง้งก็ได้แหละการที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้อง อาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องที่เราจากช่วยกาจัดได้ศีก็จะห้ามในระดับหนึ่งถ้าเราถือสีแปดน 8, ี่เราก็ต้องรู้ว่าออมันไม่กิดข้าวเย็นไม่ได้มันก็เป็นการห้ามความอยากในระดับสีแล้วข้าความอยากที่มันลึกกว่านั้นเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดมันถ้าอยากจะให้มันหยุดได้อย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญา คุณอลิสาครับขอาการเรียนถามว่าจะทําอย่างไรจรึงจะหายจากการเป็นคนตื่นเต้นง่ายเช่นเวลาไปโรงพยาบาลใจจะเต้นเร็วไปเองมาครับไม่ได้รู้สึกกลัวพยายามบอกใจไม่ให้ตื่นเต้นมันก็ไม่เชื่อคะ่ะก็ใช้พูดทอลิ่ะเวลาเราเกิดอาการตื่นเต้นขึ้นมาเราพยายามท่องพูดทอลพูทอลพูทอลไปภายในใจทางที่ดีก็คือซ้อมไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ตื่นเต้นเราซ้อมพูดทอลพูดทอลไปเรื่อยๆก่อน เพราะถ้าเราไม่ซ้อมไม่พอถึงเวลาเราจะพุโทโธไม่ออกอถ้าเรามาพุโทโธพุโทโธอยู่เมืจะเกิดความเคยชินขึ้นมาพอเวลาเกิดความเป็นเต้นขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธได้เลยแล้วมันจะหอ่อควบกลุ่มความตืเต้นให้ใจตั้งอยู่เป็นปกติได้คุณจกักรพันธ์ครับการเรียนถามครับระหว่างที่ทาสมาธิภาวนาดูลมหายใจร่วมกับภาวนาพุโทโธ ควรจะดูลมแค่บริเวณปลายจมูกหรือดูอย่างไรครับไม่ให้รู้สึกเพ่งเกินไปครับก็ดูลมส่วนใหญ่ก็จะให้ดูที่ปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกไม่อยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกอีกจุดหนึ่งที่เราจะใช้แทนที่ปลายจมูกก็เกิดที่หน้าอกก็ให้รู้ว่าเวลาลมเข้าหน้า อ, อกมันจะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกลม ก, ก็จะหน้า อ, อกก็จะแาบลงไปยุบลงไป อันนี้เขาเรียกว่าอุบายของยุคหนอพอมหอ่อถ้าดูหน้า อ, อกเขาก็จะเรียกว่ายุคหนอพองหนอถ้าดูที่ปลายจมอกว่ารู้ว่าลบเข้าลมาออกไปส่วนพุทโธนี้เป็นเรื่องที่เราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ความพอใจเราคนก็ไม่ใช้พุทธโทอะไก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนจะใช้พุทโธอย่างเดียวไม่ดูลมก็ได้มันมีสามวิธีด้วยกันดูลมด้วยพุทโทด้วย วิธีหน่งดูพุท ด, ดูลมอย่างเดียวไม่มีพุโทโธเนื้อดูเนื้อบรกรกะพุโทโธอย่างเดียวไม่มีดูบก็มีสามวิธีในการฝึกสมาธิคุณวีระชัยครับเราจะอธิบายให้คนที่ชอบทําบุญใหญ่หญๆเน้นสร้างวัตถุต่างๆแต่ไม่รักษาศีนให้เขาเข้าใจยังไงดีครับว่ารักษาศีนให้ได้นั้นสำคัญกว่าครับเลามันเรื่องอะไรของเราที่ต้องไปบอกเขาล่ะไม่เกี่ยวกับเราเพหน่อย เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขานอกจากท่านเข้ามาประคปรึกษาแล้วพ่บอกเขาด้วย่าการทํารักษาสิ่งนี้มันได้ประโยชน์กว่าการทำบเพราะถ้าทําบุญแล้ไม่รักษาสิลเนี่ยเราจะไม่สามารถไปรับผลบุญที่เราทําได้เพื่อไปสวรรค์ได้เพราะว่าเราไปทําบาลด้วยถ้าเราทําบารมากกว่าทําบุญบุญที่เราทําอยู่นี้ยังไม่สามารถส่งผลให้เราไปสวรรค์ได้เราจะต้องไปรับผลบาป ก, ก่อนต้องไปเกิด อธิบายก่อนแต่ถ้าก็ไม่มาถามไม่มาปรึกษาเราเราก็มไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเสือียไปคุณสุรินทร์ครับเมื่อเราเห็นแม่พ่อคนที่เรารักเจ็บป่วยแล้วเกิดทุกข์ทำอย่างไรให้ทําใจปล่อยวางจากทุกนี้ได้คะเคือเราเป็นคนธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเทั้งขา่งขาวทั้งข่าวไม่มีใคร ีคเหลือสองคำถามสุดท้ายวันนี้ตอบไปครบเลยนะครับอาจารย์ครับขออีกสองคำถามครับอาจารย์ครับคุณมะลีครับเมื่อเราเป็นคนใจดีและขี้สงสารแต่มักเจอแต่คนเห็นแก่ตัวแล้วเอาเปรียบเราเสมออย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมไหมคะก็เป็นแเปเรื่องของของการพบคนนะคนที่เราพบก็มีหลายรูปแบบคนดีก็มีคนไ ม, ม่ดีก็มีต่เรียกว่าเป็นกรรมไมได้ เป็นกรรมขอาที่เรามาเกิดมาเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่เจอคือกรรมที่แท้จริงก็คือการมาเกิดถ้าเราไม่มาเกิดเราก็ต้องไม่เราก็จะไม่เจอกับคนดีหรือคนเชื่อต่างๆครับจากคุณสิริการครับเราสามารถอุทิศส่วนกุศลให้คนเป็นได้ไหมคะพระอาจารย์เคยสอนไว้ว่าคนเป็นให้แผ่เมตตาโดยที่ให้สิ่งที่เขาขาดช่วยให้เขามีความสุขมากขึ้นครับใช่ค่ะ ก็เป็นการภายเมตตาคือการให้บุญกุศลแล้วแต่คนเป็นก็ไม่ต้องการบุญกุศลมันเป็นก็าต้องการสิงที่เขาขาดแคลนเมือหยาใจก็มีความสุขแล้วก็ให้สิงที่เขาขาดแคลนไปแต่คนตายก็รับสิ่งที่เราตสิ่งที่เขาขาดแาาาคแลนเป็นาสิ่งที่เขาขาด แ, แคนลนไม่ใช่อาหารไม่ใช่ของสิ่งที่คนตายขาดแคลนก็คือบุญเราก็เลยต้องถึงบุญต่างกัน วันนี้ตอบได้หมดเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f ฟ c e b o o ห6 2้อยี่สิบคนใน y o u ู u สี่ร้อยเจ็สิบแปดคนในครับเฮาเก้าคนรวมเพื่อนๆฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกคนครับอาจารย์ครับก็ขอชื่นชมินดีกับท่านที่ไปทําสนใจยี่มานั่งฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากกัน้อย น, นำออกไปใช้ให้กับการปฏิบัติให้คื้หน้าต่อไปการแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งมาจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขามเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็คิดว่าท่าขอลาคุณหม อ, อไปเพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็คงจะได้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอขอจงรักภัยกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ